วันนี้เป็นวันจันท ร, ร์ที่สามตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเป็นวันขึ้นแปดค่ำเดือนสิบเอ็ดเป็นวันพระวันธรรมมนะัตสวาณะ วฟังธรรมคาว่าธรรมะสวนะก็แปลว่าการฟังธรรมตามการตามเวลานั่นเองพระพุทธเจ้าทรงเห็นความสำคัญของการฟังเทศน์ฟังธรรมจึงต้องกำหนดวันฟังธรรมขึ้นมาให้พุทธศาสนิกชนทุกคน ได้มันศึกษาพราะธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างต่อเนื่องจึงกำหนดวันฟังธรรมไว้เดือนละสี่ครั้งด้วยกันแบ่งเป็นครัง้งละครั้งละเจ็ดวันระยะ1หนึ่งเดือนก็แบ่งไว้เป็นสี่สี่สี่อาทิตย์มีการฟังธรรมอย่างต่อเนื่องเพราะ การฟังธรรมนี้เป็นการปฏิบัติธรรมที่สําคัญอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นการเจริญปัญญาปัญญาคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปองค์ประกอบของมรรคสององค์แรกสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโป เป็นเหมือนกับผู้นำผู้นำต้องรู้ว่าจะนำผู้ตามไปในทิศทางไหนถ้าไม่รู้ก็หลงทางได้ผู้นำจริงต้องรู้ต้องฉลาดต้องมีความเห็นที่ถูกต้องคือต้องมีปัญญาปัญญาในทางพระพุทธศาสนานี้ มีอยู่สามระดับสามขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่หนึ่งคือปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรมได้ศึกษาธรรมขั้นที่สองปัญญาที่เกิดจากการหมั่นพิจารณาธรรมอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมออย่างเนืองเนือง และปัญญาขั้นที่สามคือปัญญาที่มีกําลังสามารถกําจัดกิเลสตัณหาดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้ปัญญาแต่ละขั้นนี้เป็นปัญญาที่จำเป็นที่จะต้องมีการกระทำมีการเจริญมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเอง อย่างที่คนบางคนเข้าใจกันเข้าใจว่าถ้านั่งสมาธิแล้วได้สมาธิแล้วปัญญาจะตามมาเองสมาธิไม่เป็นผู้ที่จะทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาสมาธิทำให้ใจมีอุเบกขามีพลังที่จะต่อสู้กับกิเลสต่อสู้กับความอยากต่างๆได้ แต่ถ้าไม่มีปัญญาเป็นผู้สอนว่าสิ่งที่ต้องต่อสู้ด้วยคืออะไรก็อาจจะไม่ได้เอามาใช้ในทางที่ถูกได้ดงั้นต้องปัญญานี้ไม่ได้เกิดจากสมาธิขอให้ท่านทั้งหลายผู้ที่ปฏิบัติเข้าใจเอาไว้ได้สมาธิแล้วจะคิดว่าปัญญาจะเกิดขึ้นเองนี่ไม่มีทาง เพราะว่าปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็เกิดจากการการกระทำสามลำดับขั้นตอนของปัญญานี่เองปัญญาขั้นที่หนึ่งคือการเรียนรู้จากผู้อื่นก่อนเพราะปัญญาทางพุท ธ, ทธศาสนาปัญญาที่จะนำมาใช้ในการดับความทุกข์นั้นต้องเรียนจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น ไม่มีใครรู้ปัญญานี้ได้ด้วยตนเองไม่มีใครรู้ไม่มีใครสามารถมีความรู้อันนี้ได้ด้วยตนเองถ้ารู้ได้ด้วยตนเองก็เป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นถึงจะรู้ความรู้อันนี้ได้<ม>ความรู้อันนี้คืออะไรก็คืออริยสัจสีไต่ลักษณ์นี้ออันนี้แหละเป็นความรู้ ที่ไม่มีใครสามารถรู้ได้ด้วยตนเองยกเว้นพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวแล้วถ้าใครอยากจะมีความรู้อันนี้ก็ต้องเรียนจากพระพุทธเจ้าหรือเรียนจากผู้ที่ได้เรียนจากพระพุทธเจ้าอีกทอดหนึ่งคือพระอาหารหันตสาวกทั้งหลาย น, นี่คือปัญญาทางพระพุทธศาสนานี้จะไปเรียนที่มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกเขาก็ไม่สอน เขาไม่รู้กันต้องไปเรียนที่พุทธศาพุทธศาสนาสถานสถานที่มีพระรัตนกายที่มีพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เป็นผู้แสดงธรรมคือแสดงอริยาาสัจสีแสดงใจรักเท่านั้นถึงจะได้ปัญญาทางพระพุทธศาสนา ปัญญาระดับแรกนี้จึงต้องไปรับจากผู้ที่รู้มาก่อนอันดับแรกก็คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้อริยสัจสีรู้ไตรลักขึ้นมาด้วยพระองค์เองจึงเรียกตนเองว่าเป็นผู้ตัดสรตด้วยตนเองโดยชอบเป็นผู้ตัดสรตว์ดวยชอบด้วยตนเองสามมาสามพุทธเจ้า พระอรหันต์สาัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์แปลว่าผู้ที่สิ้นเกิเล็ดแล้วผู้ที่สิ้นเกลเล็แล้วแล้วก็สิ้นกเกลเอดด้วยปัญญาของตนเองคือตัดสรู้อริยสัจสี่และตายร่างด้วยตนเองก็เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาพระพุทธเจ้านี้มีสองชนิดด้วยกัน ชนิดแรกก็คือพระอรหันตสัมมาสาัมพุทธเจ้าตัดสะรู้แล้วเราก็เอาความรู้นี้มาสอนคนอื่นต่อจึงเป็นพระอรหันตสัมมาสาัมพุทธเจ้าส่วนพระพุทธเจ้าอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าพระประเจกะพุทธเจ้าพระประเจกะพุทธเจ้านี้ตัดสะรู้แล้วแต่ไม่สอนคนอื่น ท่านก็ไม่ได้แสดงเหตุผลไว้ว่าทำไมท่านไม่สอนคนอื่นอาจจะไม่มีคนสนใจฟังก็ได้ไปสอนเขาก็ไม่สนใจฟังเพราะอาจจะมีแต่คนที่สนใจกับการเที่ยวบาเที่ยวผับกันลองไปสอนคนที่ชอบเที่ยวบาเที่ยวผับกันดูสิว่าเขาจะอยากจะฟังทำไม อันนี้ก็อาจจะเป็นบางยุคบางสมัยจิตใจของคนเสื่อมลงถูกกำนาจของกิเลสตัณหาครอบงำจนไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมนี้สามารถเล็ดลอดเข้าไปสู่ในใจได้เลยใจอันเหล่านั้นเลยถูกกิเลสตัณหาโดยเฉพาะกามาตัณหาความอยากเศษกามคุณห้า คือรูปเสียงกลิ่นรสผดพภพครอบงําจิตใจไว้จยกคิดอยู่แต่การหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเพียงอย่างเดียวไม่รู้ว่ายังมีความสุขที่เหนือกว่าที่ดีกว่าคือความสุขที่ได้จากการปฏิบัติทำตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าถ้าไปตัดสินในยุคนั้น หรือถ้าไปตัดสิุในยุคที่มีาศาสนาอยู่แล้วอยู่ดีๆจะไปสอนให้คนอื่นมานับถือศาสนาใหม่เขาก็า จ, จะไม่นับถือก็ได้หรืออาจจะเป็นเพราะว่าเป็นพระพุทธเจ้าแต่ไม่มีความสามารถที่จะไปสั่งสอนผู้อื่นสอนตนเองได้แต่สอนคนอื่นนี้ไม่รู้จะสอนอย่างไร อันนี้ก็อันนี้เป็นการวิเคราะห์ไปตามภาษาคนคนตาบอดวิเคราะห์ไปก็แล้วกันจะถูกจะผิดอย่างไรก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะว่าจะมีคนที่ตัดสู่แล้วด้วยตนเองแล้วแล้วก็ไม่สอนใครใเราเรียกว่าคนที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่สอนผู้อื่นว่าเป็นพระประเจกพพุทธเจ้า แต่พระพุทธเจ้าที่ตัดสรู้แล้วเอาความรู้นี้มาสอนคนอื่นเราก็เรียกว่าพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะรู้ได้เพียงอย่างเพียงคนเดียวคือเราจะรู้ได้ว่ามีพระสัมมาพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปรากฏเพราะท่านประกาศคำสอนแล้วก็ตั้งาศาสนาพูทขึ้นมาอย่างเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยเรารู้ประวัติท่านมาตลอดท่าน เกิดเป็นเจ้าชายออกบวชตัชลุแล้วก็เผยแผ่ธรรมะอยู่ตลอดเวลา45ปีด้วยกันแล้วก็สร้างพระอารามตัสสาวกผู้ที่จะมาทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะต่อจากท่านเป็นจำนวนมากอันนี้มีการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์เราถึงรู้ได้ว่ามีพระพุทธเจ้ามาเกิดในโลกนี้ แต่ถ้าเป็นพระประเจกกับพระพุทธเจ้านี่ท่านตัดจะรู้แล้วท่านไม่บอกใครแล้วใครจะไปรู้ว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีใครรู้ก็เลยไม่รู้ว่ามีพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาในโลกนี้พระปเจกัพระพุทธเจ้านี้นถึงแม้จะมีปรากฏขึ้นมาในโลกนี้มากน้อยเพียงไรก็ตามแต่จะไม่มีใครรู้กันเพราะจะไม่มีการประกาศไม่มีการบันทึกไว้ไม่มีการก่อตั้งพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าพระประเจกพระพุทธเจ้าจึงถือว่าเป็นพระพุทธเจ้าจำพาะตนรู้จำพาะตนหลุดพ้นจำพาะตนแต่ไม่สามารถสอนให้คนอื่นหลุดพ้นได้ไม่สามารถหรือไม่สอนก็สุดแท้แต่กรณีก็แล้วกันหรือไม่มีคนจะสนใจที่จะเรียนก็ได้มีครูแต่เปิดโรงเรียนแล้วไม่มีนักเรียนมาสมัครจะทำยังไง บอกเปิดให้มาสมัครแล้วบอกให้เรียนฟรีก็ยังไม่มาเรียนฟรีอยู่ฟรีกินฟรีก็ยังไม่มาถ้าไม่มีนักเรียนมาสมัครเรียนก็ต้องปิดโรงเรียนนะเพราะว่าโรงเรียนมีไว้เพื่อสอนนักเรียนมีครูมีโรงเรียนแต่ไม่มีนักเรียนนี่คือฐานะของพระเปโจรีกาพุทธเจ้ า, าพระปโจเจกาพุทธเจ้ามีความรู้อยากจะเผยแผ่ความรู้ให้กับผู้อื่น แต่ไม่มีผู้สนใจที่จะมาเรียนก็เลยไม่ได้สอนไม่ได้เปิดโรงเรียนไม่มีพระพุทธศาสนาแต่พระอหรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพอตัดสิรูปป๊บก็เปิดโรงเรียนทนทีไปต้อนนักเรียนเลยไม่ได้อยู่รอให้นักเรียนมาหาพระพุทธเจ้านี้ไปต้อนนักเรียนเลยครั้งแรกก็ไปต้อนพระบัญญัติวัคคีห้ารูป ก่อนหน้านั้นก็นึกถึงอาจารย์สองรูปที่เป็นอาจารย์ที่มีความสามารถในทางสมาธิแต่ขาดปัญญาถ้าไปสอนเรื่องปัญญาก็สามารถตัดสรุมบรรลุทําได้ทันทีเลยสองรูปแต่ช้าไปเสียแล้วเพราะได้ข่าวว่าสองรูปนั้นเสียชีวิตไปแล้ว เมื่อเจ็ดวันเมื่อสิบห้าวันที่ผ่านมาก็เลยเป็นที่น่าเสียดายเพราะว่าพระอาจารย์สองรูปนี้ท่านจะไปอยู่ในพรหมโลกเป็นเวลาหลายปีด้วยกันอาจจะยาวนานกว่าห้าพันปีพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ะศาสนาที่พระเจ้าของเราตั้งขึ้นมาก็จะหมดไปแล้ว พระพุทธเจ้าบอกศาสนาพุทธที่พระ อ, องค์ทรงประกาศตั้งก่อตั้งขึ้นมานี้จะมีอายุอยู่คู่กับโลกได้ประมาณ5 0 0พันปีด้วยกันถ้าใครมาเกิดหลังจากห0 0พันปีไปแล้วก็จะไม่ได้รู้จักพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีใครมานั่งมาสอนเรื่องปัญญาเรื่องอริยสัจ ส, สีเรื่องไตรลักษณ์ต่อไปันั้น พระอาจารย์สองลูกของพระพุทธเจ้านึ่นเงเสียโอกาสอันดีเพียงไม่กี่วันเท่านั้นเองถ้าตายชช้สักเดือนหนึ่งนี้ได้ยินได้ฟังธรรมก่อนปั๊บก็จะหลุดพ้นเป็นผ้าอาหารขึ้นมาหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการยืนว่าตายเกิดไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่อีกแล้วตายเร็วไปหน่อยอนนี้ความตายนี่มันกำหนดกันไม่ได้พลาดไปนิดเดียวทาให้เสียโอกาสอัน อันยิ่งใหญ่ที่นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งคือการได้มาเกิดได้มาเจอพระพุทธศาสนาพอหลังจากห้าพันปีไปแล้วนี่ศาสนาใหม่ที่จะมานีอีกหลายแสนล้านปีพระศรีรานที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใหม่นี้จะมาตัดสุลหลังจากเวลาผ่านไปเป็นแสนแสนล้านปีด้วยกันถึงจะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ปรากฏขึ้นมาอีกครั้งนึง แล้วถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็จะไม่รู้เรื่องอริย ส, สัจสีเรื่องไตรลักอันนี้จังทุกขังอนัตตาอริยสัจสีก็คือทุกสมุทัยนิโรธมาอันนี้เป็นความรู้ที่จะทำให้จิตหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เป็นความรู้ที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้พอ ร, รู้เหตุของการเวียนว่ายตายเกิดว่าเกิดจากอะไร และรู้วิธีที่จะดับเหตุนี้ว่าดับได้อย่างไรอันนี้ไม่มีใครรู้มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่รู้ได้แล้วต้องเป็นพระอรหันต์ตัส ม, มาสามพุทธเจ้าถึงจะสามารถเผยแผ่ความรู้นี้ให้แก่ผู้ได้อทอนสามารถก่อตั้งศาสนาพุทขึ้นมาได้ทําประโยชน์ให้กับสัตว์โลกได้เป็นจํานวนมากสัตวโลกที่ได้เรียนรู้ ปัญญาทางพระพุทธศาสนาและได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่าตาเกิดนี้มีจำนวนนับไม่ถ้วนในยุคพระพุทธเจ้านี่ก็เป็นหมื่นเป็นแสนทรงสแสดงทมเพลงระยะเจ็ดเดือนแรกนี้ก็ได้พระอาหารหันต์ขึ้นมาหนึ่งพันสองรห้าสิบรูปเป็นอย่างน้อยปรากฏขึ้นมาในวันมาคบูชา วันที่มีพ้าอัหันตัดสาวกหนึ่งพันสองร้อห้าสิบรูปมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายพระอาัหาันเหล่านี้ได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าโดยตรงแล้วพอบรรลุแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้ไปสารทิศ ต, ต่างๆไปกระจายไปคนละทิศคนละทางอย่าไปด้วยกันเป็นคู่ไปเดียว เพื่อจะได้กระจายธรรมะอันวรริเิษนี้ให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วพระอาจารย์านานเหล่านี้หลังจากที่เรียนจบจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ส่งให้ไปอไปไปสั่งสอนให้เมืองนั้นบ้างไปเมืองนี้บ้างอย่าเมืองไทยก็ส่งมาสองรูปมาแล้วก็มาก่อตั้งาศาสนากันอันนี้ ระยะเวมเจ็ดเดือนแรกนีปรากฏมีผ้านั้หนึน 1, ่งพันสองรอห้าสิบูปเพระพุทธเจ้าสอนเจ็ดเดือนสามารถสอนให้มีคนจบเรียนเรียนจบได้ถึงหนึ่งพันสองรอห้าสิบูปพระพุทธเจ้าถึงแสดงไว้ในสติปัฏฐานสีว่าใครปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนในสติปัฏฐานสีได้นี้จะสามารถบรรลุหลุดพ้นได้ภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนหรือเจ็ดปี นี่ทรงสแสดงเพลงเจ็ดเดือนมีผู้บรรลุแล้วหนึ่งพันสองร้อห้าสิบรูปเป็นอย่างน้อยอาจจะมีมากกว่านี้ที่ไม่ได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าในวันนั้นก็ได้<ม>นี่คือเรื่องของความมหัศจรรย์ของปัญญาของพระพุทธเจ้า<ม>ปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรุคือพระอริยรรสัจว์่ทุกสมุทัยนิโรธมนาะ และไตรลักษณ์อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้ถ้าใครได้เข้าถึงความรู้วันนี้และสามารถนำมาไปใช้กับการกำจัดกิเลสปัญหาก็จะสามารถดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้ทุกคนที่บรรลุปเป็นพระอารหรนันต์นี้ต้องได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าโดยตรงหรือได้ยินจากพระอารหันต์อิทธิทอด ไม่มีใครจะรู้อริยสัจสี่ใจรังนี้ได้ด้วยตัวเองพวกเราที่เกิดมานี้ก็ไม่มีใครสอนอริยสัจสี่ใจรักก็มีแต่คําสอนของพระอรหันต์ที่เป็นหนังสือที่เราเอามาอ่านกันหนังสือของพระพุทธเจ้าพระไตรปิฎกหรือคําสั่งคําสอนของครูบาอาจารย์พระสุปสุพระสุปฏตติปโนพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านก็จะสอน เรื่องอริยสัจสีเรื่องไตรลักเพราะนี่เป็นหัวใจของาศาสนาหัวใจคงคำสั่งคำสอนเป็นแก่นเป็นเนื้อของาศาสนาเนื้อของคำสอนคำสอนอย่างอื่นนี้เป็นเรื่องของเปลือกเป็นเรื่องของออผิวไม่ได้เป็นเนื้อถ้าเป็นผลไม้คำสอนอย่างอื่นก็เป็นเหมือนผิวผิวผิวส้มอย่างนี้กินผิวส้มไม่ได้ ความรู้ทางที่เป็นผิวนิ่มเอามาดับความทุกข์ไม่ได้ต้องเอาความรู้ที่เป็นแก่นคืออริยสัจสี่ตายลักนี้เท่านั้นถ้าเข้าใจรู้วิธีนำ ม, ม, ามาใช้ให้ถูกต้องจะสามารถดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วนี่คือที่มาของปัญญาของทางพระพุทธศาสนา ที่เอามาฝากท่านมาล่าให้ท่านฟังในวันนี้คือขั้นที่หนึ่งเราต้องได้ปัญญานี้มาจากพระพุทธเจ้าหรือจากพระอาหารหันตสาวกสมัยนี้เรายังสามารถรับปัญญาจากพระพุทธเจ้าได้เพราะมีการบันทึกคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ในพระไตรปิฎกถ้าอยากจะเรียนโดยตรงจากพระพุทธเจ้าก็ไปเรียนจากพระไตรปิฎก เรียนจากกรรมพระสูตรต่างๆพระสูตรสำคัญสำคัญทำมาจากกับประวัตนสูตรอันนี้เป็นการแสดงธรรมครั้งแรกของพระพุทธเจ้าที่สรงสอนให้กับพระปัญจวัคคีคือหลังจากที่คิดถึงพระอาจารย์สองรูปว่าท่านเป็นผู้ที่เหมาะสมต่อธรรมอันประเสริญนี้แต่ก็ได้ทราบข่าวว่าท่านตายไปแล้วก็เลยคิดถึง บุคคลต่อมาว่าใครที่จะเหมาะสมที่จะรับธรรมนน้ปัญญานี้ได้อย่างรวดเร็วและนำเอาไปดับความทุกข์ได้อย่างรวดเร็วทันใจก็มีพระปัญจวคีนี่พระปัญจวคีก็คือพระนักบวชห้ารูปที่เคยเป็นสาวกของพระพุทธของสาวกของของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะของสมณะโกตมะ โคลมแต่หลังจากที่พระองค์ทรงหยุดวิธีอดอาหารเพื่อให้ตัดสู่พระปัญจวัคคีย์ทั้งห้งาก็เกิดความเสื่อมศรัทธาคิดว่าพระพุทธเจ้าไม่เก่งจริงแล้วเก่งจริงต้องไม่ถอยต้องไม่กลัวตายนี่กลัวตายกลับไปกินซะแล้วแต่ไม่เข้าใจความหมายของการกลับไปกินของพระพุทธเจ้าว่า ที่ต้องกลับมากินเพราะว่าถ้าอดไปก็ตายมันก็ไม่ตัดสรู้เพราะการอดไม่ได้ทำให้เกิดการตัดสรู้ขึ้นมาการจะตัดสรู้ได้ต้องการเจริญวิปัสสนาภาวนาด้วยการสนับสนุนของสมถภาวนาพระพุทธเจ้ามีสมถภาวนาแล้วแต่ไม่ไม่ไม่มาเจริญวิปัสสนาภาวนานะไม่มาเจริญปัญญาวิเคราะห์สัจธรรมความจริงว่า ความทุกข์มันมาจากที่ไหนความทุกข์คืออะไรแล้วเหตุที่ทำให้มันทุกข์คืออะไรและวิธีที่จะทำให้ความทุกข์นี้หมดไปทำได้อย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่ของวิปัสสนาภาวนาต้องวิเคราะห์ทั้งเหตุทั้งผลเหตุที่สร้างทุกข์และเหตุที่ดับทุกข์ให้ได้แต่นยที่สุดก็ค้นพบว่าเหตุที่สร้างทุกข์ก็คือตัณหาความอยาก การมตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาและเหตุที่จะดับความทุกข์ก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลก็คือเนี่ยต้องเป็นผู้ทรงศีลมีศีลที่บริสุทธิ์สมาธิก็ต้องมีจิตที่รวมเป็นอัปปนาสมาธิแล้วก็ปัญญาก็คือต้องเห็นไตรลักษณ์ในสภาวะธรรมทั้งปวเห็นมาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วขา่าวไม่เที่ยม เป็นธรรมชาติที่ไม่มีใครไปควบคุมบังคับไปสั่งได้ไม่มีตัวตนทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ร่างกายที่พวกเราคิดว่าเป็นตัวเราของเราเนี่มันก็ไม่ใช่ตัวเราของเราเราเพียงแต่คิดไปเองนั่นเอเราเหมาไปเองเหมือนกับคนโบราณไปเหมาว่าโลกนี้มันแบนไม่แบนมันกลมแต่เขาว่ามันแบนแล้วเขาก็เชื่ออย่างนั้นพวกเราก็แบบนั้นเหมือนกันร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นธรรมชาติดินน้ำลมไฟ แต่เราไปเหมาว่ามันเป็นเราเป็นตัวเราแล้วคิดว่าเราจะควบคุมมันได้หรือเปล่าถ้ามันเป็นตัวเราของเราควบคุมมันได้ไหมทำให้มันไม่แก่ได้ไหมทำให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยได้ไหมทำให้มันไม่ตายได้ไหมไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นของเราที่อยู่ภายใต้การควบคุมบงังคับของเรานะั่นเองมันเป็นของธรรมชาติเป็นของดินน้าลมไฟที่มีการเจริญแล้วก็มีการเสื่อมไป ธรรมชาติทุกอย่างในโลกนี้มีเจริญแล้วก็มีเสื่อมไปต้นไม้ใบหญ้าโตขึ้นมาเดี๋ยววันหนึ่งมันมันก็ตายมันก็แก่ตายไปของต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาเดี๋ยวมันก็หายไปเป็นเหมือนฟองน้ําทุกอย่างเป็นเหมือนฟองน้ําเกิดมาแล้วเดี๋ยวมันก็มันก็ดับไปแล้วมันก็เกิดมาใหม่สลับกันไปเกิดดับเกิดดับไปอยู่เรื่อยต้นไม้ต้นนี้ตายเดี๋ยวก็มีต้นใหม่โผล่ขึ้นมาแทนที่ เดี๋วต้นที่โผล่ขึ้นมาแทนที่ก็ตายก็มีต้นใหม่โผล่ขึ้นมามันเป็นเรื่องของธรรมชาตินี่คือการเห็นใจรักเห็น น, นั้นจริงจังไม่เที่ยงเห็นนั้นน่าตาว่ามันเป็นธรรมชาติมันไม่ได้เป็นตัวตนไม่มีใครอยู่ไม่มีใครมาสั่งให้ลมพัดไม่มีใครสั่งให้ฝนตกไม่มีใครสั่งให้แดดออกมันเป็นเรื่องปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมีเหตุมีปัจจัยทําให้มันตกมันก็ตก มีเห็นมีปัจจัยทำให้มันท่วมมันก็ท่วมอันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องของไตรักอันนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพิจารณาเพราะตอนที่อดหารไม่ได้ใช้ปัญญาเลยยัีงแต่สู้กับความหิวความอยากเพียงอย่างเดียวมันก็ยังหยุดความอยากไม่ได้มันก็ยังอยากอยากกินอยู่นั่นนะเพราะร่างกายมันต้องกินมันถึงจะอยู่ได้ มันหิวก็ต้องกินมันก็อยากกินขึ้นมาก็เห็นว่าถ้าไม่กินก็ตายแล้วก็ไม่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์เพราะใจก็ยังทุกข์อยู่กับเรื่องของร่างกายอนั้นที่เสื่อก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติเปลี่ยนแผนใหม่อดไปก็ไม่ได้ผลเพราะอดพระปัญจาวัคคีย์ทั้งห้าก็เลยเสื่อมศรัทธาไม่เชื่อแล้วคนนี้ไม่ได้เรื่องแล้วตามไปก็ พาไปจมไปอยู่ในนรกในนรกอย่างแน่นอนติกตัวดีกว่าก็เลยแยกทางกันไปพอแยกทางมันไปพระเจ้าก็เลยมีเวลาไม่ต้องมากังวลกับคนกองเชียร์ต้องทําต้องคอยทําตามกองเชียร์ทุ่มทำตามเหตุผลดีกว่าเหตุอันใดที่ที่จะทําให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ก็ไปตามเหตุนั้นดีกว่าก็สทงพิจารณาว่ามันต้องไปด้วยการภาวนา ภาวนาสมถาภาวนาก่อนเมื่อมีสมะถะภาวนาแล้วก็ไปเจริญวิปั ส, สนาภาวนาต่อพอพิจารณาเรื่องทุกข์ก็เห็นว่าทุกข์คืออะไรทุกข์ก็คือเกิดแก่เจ็บตายนี่เองมีใครไม่ทุกข์บ้างคนที่เกิดมาแล้วมีใครไม่ทุกข์บ้างเด็กที่เกิดมามันก็ทุกข์แล้วเนี่ยออกมาจากท้องแม่มันก็ร้องไห้แนละ้วไม่มีเด็กไหนออกมาแล้วหัวเราะกันในชะ่ไหม ไม่มีเด็กคนนั้นออกมาเรายิ้มดีใจโอ้หูได้เกิดแล้วไม่ได้ดีใจมันทุกข์มันร้องกันร้องเพราะมันต้องหายใจเองเมื่อก่อนอยู่ในท้องแม่ไม่ต้องหายใจเองไม่ต้องกินเองแต่พออยากเ่องแม่มาที่นี้ต้องกินแล้วสิต้องหายใจต้องดื่มน้ำนะเวลาไม่ได้กินก็ร้องหิวเวลาไม่ได้ดื่มน้ำก็ร้องหิวเวลาปวดทายก็ร้องปวด ทุกตลอดเวลาเนี่ยการร้องนี่มันแสดงผลของความทุกข์ให้ปให้เราได้ไ ด, ได้ยินนะพอแม่นี่พอได้ยินเสียงลูกร้องนี่ตกใจทันทีนะเอ๊ะเป็นอะไรวะทุกข์กับเรื่องอะไรแลนะต้องค้นหาให้เจอจับตัวดูร้อนรู้ไม่ร้อนอร้อนเป็นไข้เดี๋ยวต้องพาไปหาหมออะไรต่างๆอันนี้คือเรื่องของความทุกข์ที่อะไรคือความทุกข์ ทุ ก, ก็คือการเกิดเกิดแล้วก็แก่แก่ถามคนแก่ดูทุกข์ไหมหรือสุขแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยถามคนที่ป่วยโรงพยาบาลมันเป็นไงสุขดีไหมไม่มีใครไปถามเนี่ยมีแต่อยากจะให้หายเร็วๆจะได้กลับบ้านแล้วไปถามคนตายดูถามคนตายมันก็ไม่ตอบ <c oughs> <c oughs> ไม่มีใครอยากตายอันนี้ ทรงเห็นแล้วว่าทุกข์อยู่ที่การเกิดแก่เจ็บตายและสาเหตุที่นามาให้เกิดความทุกข์ก็คือความอยากอยู่นั่นเองความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนเรียกว่ากามาตัณหาพออยากจะมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมันก็ต้องมีตาต้องมีร่างกายจิตมันไม่มีร่างกายของมันเองมันก็เลยต้องไปรอรับร่างกายที่พ่อแม่ก็สร้างขึ้นมา ร่างกายนี้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาจิตก็ไปครอบครองทันทีไปปฏิสนธิแล้วก็รอเก้าเดือนออกมาก็เริ่มใช้ร่างกายพอออกจากท้องแม่มาก็เริ่มใช้ตาหูดูนู่นดูนี่อยากดูอยากได้ยินได้ฟังพ่อแม่ต้องหาของเล่นมาให้เด็กตั้งแต่แรกดูนะ้มีปลาอะไรนอนอยู่บนเตียงนอนเห็นเห็นอะไรเ อ, อเห็นแล้วมันเพลินถ้าเห็นแต่ เห็นตาเพดานว่างๆมันเบื่อเดี๋ยมันก็ล้องมันมีความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสมันถึงทำให้มาเกิดกันแล้วพอเกิดแล้วก็อยากมีอยากร่ำอยากรวยอยากมีความสุขจากการได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสจากการมีเงินมีทางจากการมียศมีตำแหน่งมีอะไรต่างๆขึ้นมา พอเกิดความอยากเหล่านี้มันก็ต้องดิ้นรนหาของนี่มันไม่ได้มาเองได้มาก็ต้องดิ้นรนนักสาอีกก็เป็นเรื่องของความทุกข์ตลอดเวลาแล้วก็ความอยากทอนนี้ที่สามก็คือความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายความอยากไม่ทุกข์ยากลาบากไม่อยากยากจนมีใครอยากยากจนบ้างไม่มีพอยากจนขึ้นมาก็ทุกข์เลยพอลมละลายขึ้นมาสิ้นเนื้อประดาตัวนี้ ทุกข์กันขึ้นมาแล้วทั้งๆ ท, ที่เวลาเกิดมาก็ไม่มีอะไรติดตัวมาทําไมไม่ทุกข์กันตอนนั้นแต่พอมันมีแล้วมันพอมนไม่มีมันก็เลยเห็นความแตกตา่างระหว่างการมีกับการไม่มีแต่เวลามาโดยที่ไม่มีอะไรมันก็รู้สึกรู้สึกเดือดร้อนนะไม่มีอะไรก็อยู่ได้เพราะมีคนเลี้ยงนแต่พอโตแล้วต้องเลี้ยงตัวเองพอไม่มีเงินมีทองมาเลี้ยงตัวเองก็เดือดร้อนอันนี้คือทุกข์ที่เกิดจากความ อยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ทุกข์ยากลําบากต่างๆไอ้สามตัวนี้แหละเป็นตัวสร้างความทุกข์ไม่ใช่ความแก่ความเจ็บความตายต้องพิจารณาจนเห็นว่าต้องหยุดไอ้ความความอยากทั้งสามนี้ถ้าหยุดทาอยากทั้งสามได้ผลพลอยได้ก็คือมันจะไม่มาเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่เกิดมันก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายทุกข์ก็จะหมดไปอย่างทาวอน แล้อะไรล่ะที่จะทําให้มันหยุดความอยากเหล่านี้ได้อยู่เฉยๆบอกมันให้มันหยุดได้ไหมอันนี้ยอมอยากเที่ยวกันบอกต่อไปนี้ไม่เที่ยวแล้วได้ไหมไม่ น, นี้ไม่ดูหนังฟังเพลงแล้วได้ไหมจะนั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่กับบ้านไม่ไปไหนมาไหนไม่ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทำได้ไหมทาไม่ได้เพราะมันไม่มีกํำลังสู้กับความอยากพระเจ้าถึงสอนให้ไปปฏิบัติธรรม ถือศีลแปดไปสวนั่งสมาธิออพอพอนั่งสมาธิจิตสงบหยุดจิตได้ทีนี้ก็หยุดความอยากได้อพอปัญญาพิจารณาด้วยพิจารณาริยัสสัตติก็เห็นว่าต้องหยุดความอยากทุกครั้งที่อยากจะไปเที่ยวก็หยุดมันการที่จะไปเที่ยวอยู่บ้านนั่งสมาธิก็ได้มีความสงบดีกว่าไม่ต้องออกไปนอกบ้านไปเสี่ยงกับภัยต่างๆไม่ต้องเสียเงินเสียทอง ไม่ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวให้เสียเวลาอยู่บ้านนั่งสมาธิจิตสงบมีความสงบกว่าอันนี้ถ้ามีการปฏิบัติสติมีการปฏิบัติศีนสติสมาธิปัญญาก็จะมีเครื่องมือในการหยุดความอยากพอหยุดความอยากได้มันก็ดับความทุกข์ได้ น, นี่คือ ความเข้าใจของพระพุทธเจ้าในอริยสัจสี่ตั 4, ตดทะลุอริยสัจสี 4. ใจของพุทธเจ้าก็เลยไม่มีความอยากอีกต่อไปเพราะว่าเวลามันอยากพระพุทธเจ้าก็ใช้สมาธิใช้ปัญญาหยุดมันถ้าใช้อย่างเดียวไม่พอใช้สมาธิหยุดมันก็หยุดได้ชั่วคราวถ้าใช้ปัญญาโดยไม่มีสมาธิก็หยุดมันไม่ได้เพราะไม่มีกําลังหยุดดูว่าต้องต้องหยุดความอยากแต่ ถึงเวลาอยากสู้มันไม่ได้เหมือนคนที่ติดยาติดยาเสพติดติดเหล้าติดกาแฟติดอะไรเนี้รู้ว่ามันไม่ดีต้องหยุดมันแต่ไม่มีกําลังก็หยุดมันไม่ได้มีปัญญารู้ว่ามันไม่ดีแต่ไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกขานี้หยุดมันไม่ได้เพราะไม่เคยหยุดใจมาก่อนพอจะหยุดมันนี้มันไม่ยอมหยุดต้องไปฝึกการหยุดใจให้ได้ด้วยการฝึกนั่งสมาธิ ก่อนจะนั่งสมาธิก็ต้องเจริญสติให้ได้ก่อนเพราะถ้าไม่มีสติก็หยุดใจหยุดหยุดยุดใจไม่ได้ทำใจให้สงบให้นิ่งไม่ได้อันนี้ก็คือขบวนการที่เรียกว่ามรรคมรรคถ้ามีมรรคมันก็จะละสมุทัยได้พอละสมุทัยได้นิโรธคือการดับทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมาการหมดทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมาหรือความการกำจัดทุกข์ให้หายไปก็ปรากฏขึ้นมา ทุกหายไปเพราะมรรคเพราะมรรคไปละสมุทัยที่เป็นตัวทําให้ทุกเกิดพอมรรคทาลายสมุทยัยทุกที่เกิดจากสมุทัยก็หายไปเรียกว่านิโรธ<ม>ทุกสมุทัยนิโรธมรร<ม><ม>นี่คื อ, อสี่อริยสัจสี่ถ้าใครอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงต้องเข้าใจหลักการทํางานของอริยสัจสี่มันเกี่ยวข้องกันมันเป็น เป็นเป็นเหตุเป็นผลถ้าเราเข้าใจหลักแล้วเรามีเครื่องมือคือเราต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยตอนที่พระเจ้าแสดงธรรมขั้งแรกจึงมุ่งไปหาพวกที่มีศีลก่อนไม่ไปหาพวกที่อยู่ตามบาตามผับตามศูนย์การค้าเพราะสอนมันมันก็ไม่มีปัญญาไม่มีกําลังที่จะมาสู้กับกิเลสได้เลยคิดถึงใครนาะที่มีศีลบริสุทธิ์ก็พระพระปัญจลักขีนี่ เคยอยู่ด้วยกันเคยสอนมารู้ว่าพวกนี้รักษาศีลได้บรยสุดแล้วแล้วก็มีสมาธิแล้วมีอุเบกขาแล้วแต่ไม่มีปัญญาทั้นเองไม่รู้ว่าหลักการทำงานของอริย ส, สัจสีว่าเป็นอย่างไรพอสอนเรื่องอริยสัจสีในธรรมจกกักรปวัตนสุขธรรมเทศนาครั้งแรกพระเจ้าไม่สอนอะไรสอนเรื่องเรื่องทุกขสมุทัยนิโรธนะอริย ส, สัจสีและ เหตุที่จะทำให้ทุกสมุทยัยทุกดับไปสมุทัยหมดไป<ม>ก็คือมรรคมรรคแปศีล ส, สมาธิปัญญาอยู่ในมรรคแนี้<ม>พอแสดงเสร็จปับ๊บ<ม>ก็บรรลุธรรมกันขึ้นมาเลยหลุด<ม>พ้นจากความทุกข์เป็นขั้นๆไป<ม>ตอนต้นก็หลุดพ้นคนเดียวกันในขั้นที่หนึ่งคือพระปัญจพระอัญญาณโกนทัญญะบรรลุเป็นพระโสดามัน แล้วพอสอนครั้งที่สองสแสดงธรรมละเอียดเข้าไปอีกสอนเรื่องอนัตตาให้เข้าใจว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตน ไ, ไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรต้องไปยึดไปติดเพราะยึดไม่ได้ยึดแล้วทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปยึดพอเข้าใจหลักนี้ก็ปล่อยปล่อยก็หายทุกข์ก็บรรลุปเป็นผ้าหลานขึ้นมาพร้อมกันห้ารูปเลยเพียงสแสดงธรรมแค่สองครั้งเท่าน้ ทำมาจากครั้งหนึ่งอนัตทรักขณะสตรครั้งหนึ่งก็กลายเป็นผ้าฐันขึ้นมาห้ารูแล้วเพราะพวกนี้เขามีเขามีองค์ประกอบสองส่วนแล้วมีศีลแล้วนะเขามีสมาธิแล้วเขาไม่มีปัญญาพราะพุทธเจ้าทรงสแสดงปัญญาทรงสแสดงอรยิยสัจสีทรงสแสดงไตรักอนัตตาอันนี้เขาก็เข้าใจเขาก็ปล่อยวางทุกอย่าง หยุดความอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งเป็นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้บ่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติอย่างวันนี้ฝนตกอยากจะให้มันหยุดก็ไม่อยากปล่อยมันตกไปเดี๋ยวมันหยุดเองอยากมันก็ไม่หยุดมันไม่ได้หยุดตามความอยากของเราและมันไม่มาตกเพราะความอยากของเรามันมาตามเหตุตามปัจจัยของมันพอมันหมดเหตุที่จะทําให้มันตกมันก็หยุดตกเราต้องเข้าใจหลังนี้แล้วเราจะไม่ทุกกับอะไร อนี้นี่คือการแสดงธรรมครั้งแรกนักศึกษารุ่นแรกคือคพระปัญจวัคคีย์พราะพุทธเจ้าต้องไปตามหานักเรียนบาเรียนเพราะไม่มีรู้ไม่มีนักเรียนรู้ว่ามีโรงเรียนเปิดขึ้นมาแล้วไงก็ต้องไปทําการตลาด <c oughs> ไปเดินขายเหมือนขายประกันใช่ไหม <c oughs> คนขายประกันนัที่อยู่บ้านเฉยๆจะมีคนมาซื้อไหมไม่มียังไม่ต้องไปเคาะประตูบ้านครับที่มีประกันด้วยยัง ถ้าไม่มีเรามีประกันที่ดีนะอจ่ายตำ่ำแต่ได้กันคืนสูงนะพอบอกเขาเห็นด้วยผลนะเขาก็ยินดีซื้อทันทีพระพุทธเจ้าก็แบบเดียวกันยุคนักๆนี้ต้องต้องไปหานักเรียนมาเรียนพอพระบัญจาวักคี่ห้ารูปนี้บรรลุ ป, ปั๊บสั่งเลยไปอยากไปช่วยกันไปหานักเรียนช่วยกันต่อไปเป็นเซลแมนกันต่อตอนต้นก็มีคนเดียวต่อมาก็มีหกคน แล้วหัวคอยก็กระจายไปตามที่ต่างๆไปไปคนละทิศคนละทางวพระพุทธเจ้าบอกอย่าไปเป็นคู่กันแยกทางกันไปเพราะว่าถ้าไปกระจุกตัวอยู่มันจะไม่มันจะไปไม่ทั่วถึงนมันต้องกระจายกันไปเพราะคนเดียวก็พอสอนธรรมะคนเดียวครูคนเดียวสอนลูกศิษย์ได้เป็นร้อยไม่จำเป็นจะต้องมีครูสองคนมาช่วยสอนอันนี้ก็เลยให้แยกกระจายกันไป พระอาจารย์ก็ไปต้อนหานักเรียนตามสำนักต่างๆสำนักไหนที่มีศีลมีสมาธิท่านจะไปที่นั่นทั้งหนึ่งไปสำนักมีมีนักศึกษาอยู่ห้าร้อรูปด้วยกันมีรูปสี่ห้าร้อยรูปพอแสดงธรรมแสดงเรื่องอาทิตยอาทิตย์ตยะอะไรเนี่ยแสดงเรื่องอรูปเสียงกลิ่นรสว่าเป็นไฟเนี่ยเพราะพวกนี้เขาบูชาไฟแล้วก็สอนเขาว่าไอ้ตัวที่เป็นไฟที่แท้จริงก็คือกิเลสนี่ ไอตัวที่อยากในรูปเสียงกลิ่นรสไอตัวรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยคือไฟ <içinde S 1> <geek Aladdin> เห็นรูปขึ้นมาแล้วใจร้อนขึ้นมาทันทีเห็นกระเป๋าสวยๆนี้ใจร้อนขึ้นมาทันทีเห็นรองเท้าสวยๆใจร้อนขึ้นมาทันทีเห็นโฆษณาหนังใหม่ดีๆนี้ใจร้อนขึ้นมาทันทีอันนี้แหละพระเจ้าเลยบอกว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะมันเป็นไฟมันเป็นไฟเพราะความโลภไฟเพราะความโกรธไฟเพราะความหลงเพราะ พอมนนษย์พอเห็นแล้วมันจะทำให้ลุกลุกด้วยความโลภลุกด้วยความโกรธลุกด้วยความดุพวกนี้ก็เลยเข้าใจว่าไฟที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ในใจของตนเองคือไฟที่เกิดจากกิเลสก็ละได้พอละกิเลสหมดก็บรรลุขึ้นมาพร้อมกันห้าร้อยลูกเป็นผ้าหลังพร้อมกันห้าร้อยลูปพวกนี้พอบรรลุแล้วก็ขอบวชก่อนบวชจากพระพุทธเจ้าขอบวชในพระพุทธศาสนา ขอถือพระพุทธเจ้าเป็นสรารณะเป็นที่พึ่งเป็นครูเป็นอาจารย์พอได้บวชพระพุทธเจ้าสมัยนั้นบวชก็ง่ายก็เพียงแต่บอกให้กล่าววาจาว่าจงมาเป็นภิกษุเถิดเอหิภิกขุพอพูดแค่นี้ก็ถือว่าเป็นพระได้แล้วไม่ต้องมาแบบสมัยนี้ต้องไปนิมนต์พระสิบรูปต้องเข้าไปนั่งในบอร์ดแล้วก็แล้วก็สวดกันครึ่งชงั่วโมงก่อนจะได้มาเป็นพระขึ้นมา แต่สมัยพระพุทธเจ้านี้ง่ายมากเพราะพระเจ้ารู้ว่าใครเป็นใครจึงไม่ต้องมาเสียเวลาเลือกเฟ้นไม่ต้องมาสวดรับรองกันเพราะพระพุทธเจ้าเป็นคนเดียวที่รับรองก็พอพวกนี้เป็นพระสมบูรณ์แล้วเพราะเป็นพระได้อย่างแน่นอนก็เลยบวชกันอย่างง่ายดายเรียกว่าเอหิภิกขุสัมปทาคือการบวชด้วยการเก่าวาจาแปล่งวาจาของพระพุทธเจ้าว่าจงมาเป็นพระเถอะจงมาเป็นพระภิกษุเถอด พอพอพระพุทธเจ้าพูดเท่านี้ก็ถือว่าได้เป็นรพระทันทีขึ้นมาคก็นี้จำนวนก็เลยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆห้าร้อยรูปแล้วก็สั่งให้ห้าร้อยรูปนี้ไปเป็นเจลแมนต่อไปช่วยการขายประกันต่อประกันชีวิตประกันการเกิดแก่เจ็บตายต่อไปให้ไปขายอริยสัจสี่ไปขายตายรักต่อเนี่ยระยะเจ็เดือนอยังมีพระห้ารหัสง่อยหนึ่งพันสอง้อยห้าสิบรูปปรากฏขึ้นมา มาเฝ้าพระพุทธเจ้ากันเพราะคิดถึงพระพุทธเจ้าก็เลยมาเฝ้ากันโดยไม่ได้นัดหมายกันไว้ก่อนในวันมาฆบูชาวันเพ็ญเดือนสามเนี่ยเราเราถึงรู้ว่าในยุคใหม่ยุคแรกๆของศาสนานี้มีพระมีพระอรหันขึ้นมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบูปเพียงเจ็เดือนแรกแต่พระพุทธเจ้าสอนสี่สิบห้าปีเอย แล้วที่สอนนี่ส่วนใหญ่แล้วสอนแล้วก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์กันทั้งนั้นทุกครั้งที่พระพุทธเจ้าเวลาจะสอนใครพระพุทธเจ้าเลือกคนเรียนคนที่ไม่รู้เรื่องท่านไม่สอนให้เสียเวลาท่านเลือกคนที่เรียนแล้วรู้เรื่องเรียนน้อวเรียนจบไม่เรียนแล้วมันเรียนไม่จบเสียเวลาเลือกเลือกเพนดูท่านจะดูจิตใจเพราะท่านอ่านจิตใจของของคนอื่นได้หรือ ว, ว่าจิตใจของคนนี้อยู่ในระดับไหนพร้อมที่จะรับทำระดับไหนไปปฏิบัติ อะไรทำให้มีการบรรลุเป็นพระอาหารขึ้นมาเป็นจำนวนมาก อ, มอันนี้ก็คือความมหัศจรรย์ใจของปัญญาของพระพุทธเจ้าที่พวกเรามีโอกาสมีวาสนาที่ได้มาเจอได้มาสัมผัสแล้วก็เราก็มีสิทธิที่เราจะสามารถน้อมเอาปัญญาที่พระเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนี้เอามาทำให้เป็นปัญญาของพวกเรา แล้วก็เอามาดับความทุกข์เอามาล่ากิเลสได้เป็นแปลว่าตอนนี้พวกเรายังขาดเครื่องมืออยู่เรายังไม่มีศีลระดับศีลแปศีล 10, สิบศีลสองอยสิบเจ็ดเรายังไม่มีสมาธิที่มั่นคงแน่ๆเป็นอุเบกขาเรามีปัญญาก็เป็นระยะปัญญาระดับเด็กระดับต้นปัญญาที่เราได้ยินได้ฟังนี้เป็นระดับเด็กระดับเริ่มต้น ถ้าเปรียบเทียบกับต้นไม้ก็เป็นเหมือนมเมล็ดพืชมเมล็ดต้นไม้เราเอามาลงดินเรารับมเมล็ดพืชนี้มาจากพระพุทธเจ้าเพื่อเอามาลงดินแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องหมันลดน้ำพรวนดินรักษาต้นะมะเมล็ดพืชที่เราหว่านนี้ให้มันงอกงามขึ้นมาแล้วก็เลี้ยงดูมันให้มันเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นต้นไม้อหญพอมันเป็นต้นใหญ่เต็มที่แล้วมันถึงจะออกดอกออกผลขึ้นมา ปัญญาจึงมีแบ่งเป็นสาสามขั้นขั้นแรกก็คือขั้นการปลูกฝังเอาปัญญาของพระเจ้ามาปลูกฝังไว้ในใจของพวกเราให้มันงอกขึ้นมาในใจของพวกเราใจของพวกเราตอนนี้ไม่มีปัญญาไม่มีไม่รู้จักอริยสัจสี่ไม่รู้จกักใจรักษถึงแม้ได้ยินได้ฟังก็ไม่เข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็แสดงว่ายังไม่ไดเอามาปลูกถ้าเริ่มเข้าใจแล้วก็แสดงว่าเริ่มมีการปลูกแล้ว แต่อย่างว่าอาจจะเข้าใจไม่ตลอดเวลาไม่เต็มที่ก็ต้องหมั่นมาคอยจเจริญมันอยู่เรื่อยๆมันรดน้ำทวนดินทัานต้นก็เอามาปลูกไว้ในใจเราด้วยการหมั่นมาวัดมาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆฟังพ่อบางทีฟังครั้งเดียวอาจจะไม่เข้าใจหรือเข้าใจบางส่วนบางส่วนยังไม่เข้าใจต้องฟังบ่อยๆฟังจนกระทั่งเข้าใจแล้วพอเข้าใจแล้วยังไม่พอต้องเอามา คิดอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่บ่อยๆพิจารณาว่าทุกข์คืออะไรพิจารณาว่าสมุทัยคืออะไรนิโรธคืออะไรนักคืออะไรพิจารณาตายรักคืออะไรอริจังเป็นอย่างไรอนาตาเป็นอย่างไรทุกข์เป็นอย่างไร้องพิจารณาให้เห็นให้มันเห็นชัดเจนอยู่ภายในใจเราตลอดเวลานี่คือที่มาของปัญญาขั้นที่สอง ขั้นแรกเราเรียกว่าสุตมยะปัญญาปัญญาที่ได้จากการได้ยินได้ฟังปัญญาจากผู้อื่นของจากพระพุทธเจ้าเองหรือว่าจากภาษาวกของพระพุทธเจ้าได้ยินได้ฟังอริยสัจสีได้ยินได้ฟังตายรักแต่ยังอาจจะเข้าใจแบบผิวเผินยังไม่สามารถนำมามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ยังไม่สามารถนำมามาดับความทุกข์ได้เพราะฟังแล้วลืมเนี่ยพอ พอพ อ, อ, อจากที่นี้ไปเดี๋ยวก็ลืมถ้าที่หน้ากลับมาให้ทําข้อสอบก็จะตอบไม่ได้เชื่อไหมอ่าที่เที่ยงแล้วเทศอะไ้ฟังว่างจาได้เปล่าจำไม่ได้เลยค่ะพรากลับไปก็ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นคนนั้นคนนี้ว่ต้องมัวไปทำมาหากินต่างๆพเพราะเอาเอาความคิดไปใช้กับเรื่องทำมาหากินเรื่องดูแลผลประโยชน์เรื่องการหาความสุขอะไรต่างๆ ไอเรื่องทุกขสมุทัยนี่รุนรรงมากที่ได้ยินอยู่ตรงนี้หายไปหมดเลยจําไม่ได้ึต้องฟังบ่อยๆฟังให้มันติดอยู่ในใจให้ได้ี่ถ้ายังไม่ติดอยู่ในใจมันเวลาจะใช้มันไม่รู้จะไปหามันมาอย่างไงเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุทาให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเราคิดอยู่บ่อยๆว่าความทุกข์ของเรานี่มันเกิดจากความอยากของเรานี่เองอย่าไปโทษคนอื่นถ้าไปโทษคนอื่นเธอไม่ทําอย่างนั้นนี่ให้ฉันฉันก็เลยโกรธเธอฉันก็เลยทุกข์ ความจริงเธอไปอยากให้เขาทําแล้วเขาไม่ทําเท่านั้นเองใช่หไหมถ้าเราไม่ได้ไปอยากให้เขาทำเราจะไปทุกข์หรอ <Yeah. S 1> ความอยากของเราเนี่ยเป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับเราแต่เราไม่รู้เราลืมไปเราเราลืมมารยาศสื่อไปเราฟังเข้าหูซ้ายแล้วก็ออกหูขวาไปจึงจําเป็นต้องทําขั้นที่สองพระเจ้าบอกว่าหลังจากได้ยินได้ฟังแล้วให้เอาไปคิดบ่อยๆไปทบทวนเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมให้มันจดจําให้ได้ อย่างวันนี้สอนอริยสัจ ส, สีสอนใจรักเนี่ยจำได้ไหมถ้าจำได้ต่อไปจะไม่ไปโทษใครนะเวลาเราทุกข์ใจเราไม่สบายใจนี่เราต้องโทษตัวเราเองเพราะเราอยากอยากให้คนนั้นทำอย่างนั้นอย่างนี้อยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอมันไม่ไม่ได้เป็นไปตามความอยากเราก็ทุกข์อยากให้ร่างกายเราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยพอเจอโรคโควิดขึ้นมาก็ทุกข์ใจขึ้นมา ไปทุกทําไมทุกแล้วมันทําให้โล mat, ions, กมันหายหรือเปล่ามันก็ไม่หายทุกหายหรือเปล่ามันก็ไม่หายต้องหาค้นหาสาเหตุว่าความทุกข์ใจความทุกข์ใจกับความทุกข์ร่างกายคนละส่วนกันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนี่เป็นความทุกข์ทางร่างกายแล้วทุกแล้วใจก็ไปทุกกว่ามันเพราะไม่อยากให้มันร่างกายมันเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าถ้ายอมให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็จะไม่ทุกใจก็จะไม่ทุกใจก็จะเฉยเฉยได้ อันนี้เราต้องเอาไปพิจารณาอยู่เรื่อยๆะว่าต่อไปนี้เวลาเราไม่สบายใจเวลาเราทุกข์ใจเราอย่าไปแก้ที่คนอื่นเลยมาแก้ที่ตัวเราดีกว่าง่ายกว่าเราไม่สบายใจกับคนนั้นคนนี้เราก็มาเปลี่ยนความอยากของเราเราอยากไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เท่านั้นเองเขาจะเป็นอย่างไงก็ปล่อยเขาเป็นไปเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาแะแต่เราชอบไปแก้เขาต้องไปเปลี่ยนเขาไปบังคับเขาให้ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ ยิ่งมีบังคับเขายิ่งเขายิ่งไม่แก้ยิ่งยิ่งไม่เปลี่ยนใหญ่เพรายิ่งไม่เปลี่ยนยิ่งทุกข์ใหญ่ทุกข์ไม่มีวันดับถ้าเราไปแก้ปัญหาที่ภายนอกไปให้แก้ที่คนนั้นที่คนนี้ให้แก้ที่ใจเราทุกข์เกิดที่ใจเราเกิดจากความอยากของเราแก้ด้วยใจรักแก้ด้วยปัญญาแก้ด้วยสมาธิแก้ด้วยศีลศีลไม่มีก็ต้องไปปฏิบัติสร้างศีลขึ้นมาถ้า มีศีลแล้วก็ต้องมาสร้างสมาธิสร้างสมาธิแล้วทีนี้ปัญญาที่เรามีอยู่นี้มันจะกลายเป็นปัญญาขั้นที่สามได้คือขั้นภาวนาเมยะปัญญาปัญญาขั้นที่สามก็คือปัญญาคือความรู้ที่ไม่หลงลืมที่เราหมั่นพิจารณาอยู่เรื่อยๆในขั้นที่สองพอเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆต่อไปเราจะจาได้เวลาเราไม่สบายใจเราทุกข์ใจนี้เราไม่ไปโทษใครแล้ว เรารู้แล้วว่าตัวที่ทำให้ใจเราทุกข์คือความอยากของเราแต่เรายังหยุดความอยากไม่ได้ถ้าเราไม่มีสมาธิเราก็เลยต้องไปฝึกสมาธิก่อนไปฝึกนั่งสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบให้ได้พอใจหยุดได้หยุดใจได้หยุดใจทำใจให้เป็นสมาธิได้พอเวลาใจทุกข์ก็หยุดให้มันหายทุกข์ได้หยุดความอยากได้หยุดความอยากที่ทาให้ใจทุกข์ได้อันนี้ก็จะกลายเป็นปัญญาขั้นที่สามขึ้นมา เป็นภาวนามยัปัญญาถ้าเรามีปัญญาขั้นที่สามคือรู้อยู่ตลอดเวลาว่าทุกของเราเกิดจากความอยากของเราและวิธีที่จะดับความทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากของเราแล้วถ้าเรามีสมาธิเรามีกําลังของอุเบกขาอยู่ในใจเราพอเราบอกให้มันหยุดมันก็ต้องหยุดอุเบกขานี้เป็นตัวที่จะหยุดกิเลสตัณหาหยุดความอยากต่างๆได้พอหยุดความอยากได้ทีนี้ความทุกข์ก็หายไป อันนี้แหละคือปัญญาขั้นสำคัญที่สุดคือขั้นที่สามขั้นที่หนึ่งขั้นที่สอนี่ดับความทุกข์ไม่ได้หยุดหยุดความอยากไม่ได้เหมือนต้นไม้เนี่ยต้นไม้ที่ยังเป็นต้นเล็กๆอยู่นี้ทำประโยชน์อะไรไม่ได้ยังไม่ออกไม่มีดอกออกดอกออกผล<ม>ขั้นที่สองกำลังจเจริญเติบโตต้<ม>ตงองรอขั้นที่สามพอมันโตเต็มที่แล้วมันเริ่มออกดอกออกผลขึ้นมาแล้ว อันนี้ก็เหมือนกันปัญญาก็ต้องเป็นสามระดับด้วยกันระดับแรกก็ต้องไปเรียนจากผู้ผู้ที่รู้จะเรียนจากพระสาวกก็ได้หรือถ้าอยากจะเรียนจากพระพุทธเจ้าก็ไปอ่านในพระไตรปิฎกเอาอ่านพระสูตรที่สําคัญชเช่นธรรมจักรกับประวตนัสูตรอนตรัตตลกนัสสูตรอธิตยปริยติสูตรเนี่ยแล้วก็ สติปัฏฐานสูตรสี่สูตรนี้ก็พอต่อการปฏิบัติเพื่อให้ได้ปัญญาที่แท้จริงพอเรารู้แล้วว่าอะไรคืออะไรรู้ว่าความทุกข์เกิดจากความอยากการจะทำให้ทุกข์หายไปก็ต้องเกิดจากการปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาเราก็ดูในตัวเรามีศีลหรื อ, อยังทําใม้มีศีลเราก็ไปเริ่มรักษาศีลกันได้แล้ว สิ่งแปดเนยนักปฏิบัตินี้ต้องอยู่ในระดับศิ่งแปดสิ่ห้านี้สําหรับคนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยต้องเป็นระดับศิ่งแปเพราะยังรักษาสิ่งห้าไม่ได้ก็รักษาเริ่มรักษาสิ่งห้าไปก่อนหารักษาสิ่งห้าไปก่อนพอรักษาสิ่งห้าได้ก็ลองมารักษาสิ่งแปดในวันพระดูอาทิตย์ละวันก่อนเช่นวันนี้ถ้าปกติแล้วรักษาศิ่งห้าได้แล้ววันนี้เราลองมาถือสิ่งแปดกันแล้วก็ เอาเวลาว่างเพราะศีลแต่จะทำให้เรามีเวลาว่างจากการไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปไปดูหนังฟังเพลงเราก็จะเอาเวลาว่างนี้มาฝึกสมาธิกันมาเจริสติเดินจงกรมนั่งสมาธิพอฝึกสตินั่งสมาธิบ่อยๆเดี๋ยวก็ได้ความสงบใจก็นิ่งใจก็จะสงบก็จะได้อุเบกขาจะได้กำลังที่จะหยุดความอยากได้พอเราได้สมาธิแล้วทีนี้พอเราไปทบทวนเรื่องปัญญา ว่าเวลาเราทุกนี้ทุกเกิดจากความอยากของเราต่อไปเวลาเราเจอของจริงเวลาเราเจอความไม่สบายใจเจอความทุกข์ใจเช่นาอาจจะสูญเสียคนที่เรารักไปน้องห่มร้องไห้พอได้สติขึ้นมาก็าบอกว่าร้องไปทําไมร้องน้อง้องกลับมาหรือเปล่าความร้องการร้องไห้ของเรานี่คืออะไรก็คือความทุกข์ใจใช่ไหมทุกข์ใจเพราะอะไรเพราะเราอยากจะให้เขาไม่ตาย เราไม่อยากให้เขาจากเราไปเราอยากให้เขาอยู่กับเราแต่เขาไม่อยู่กับเราแล้วเพราะเขาเป็นอะไรเพราะเขาเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงเขาเป็นอนัตตาของที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้เขาเป็นธรรมชาติเหมือนดินฟ้ากาศพอเราเข้าใจหลังนี้ปั๊บก็ปล่อยเขาไปความอยากให้เขาไม่ไปก็จบหายไปพอความอยากให้เขาาไม่ไปหายไปใจเราก็หายทุกข์ใจก็เป็นปกติ เ็าคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับมีมาแล้วก็มีไปไม่มีใครห้ามได้เป็นของธรรมชาติทั้ ง, งหมดสเพธรรมานตตาสภาวะธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาหมดร่างกายของเราร่างกายของคนอื่นเป็นเหมือนกันหมดเป็นธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีเกิดมีดับมีมามีไปเป็นธรรมดาอันนี้คือปัญญาที่เรามาใช้กับสมาธิ มีสมาธิมีปัญญาแล้ว <Yeah. S 1> สมาธิมีหน้าที่สนับสนุนปัญญามาช่วยเป็นผนึกกําลังให้กับปัญญาแต่สมาธิไม่ได้เป็นตัวที่ทําให้เกิดปัญญาตัวที่เกิดปัญญาเกิดจากการฟังธรรมเกิดจากพิจารณาธรรมอยู่เรื่อยๆ mm hmm. พิจารณาเพื่อไม่ให้หลงให้ลืมธรรมที่เราได้ยินได้ฟังเช่นอริยสิทิอริยสัจสี 4, ตายรักนี้ต้องมาคิดอยู่บ่อยๆคิดอยู่เรื่อยๆ ให้มันจดจำได้แตกระทั่งรู้อย่างแน่นอนว่าทุกครั้งที่เราไม่สบายใจนี้โทษตัวเราเองได้เลยโทษความอยากของเราเองมันไม่ใช่เป็นผู้อื่นที่มาทำให้เราทุกข์ใจได้คนอื่นก็จะทำยังไงกับเราแกล้งเรายัางไงก็ตามถ้าเราไม่ได้ไปสนใจใเขาไม่ได้มีความอยากให้เขาไม่มาแกล้งเราเราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนเขาจะแกล้งก็ปล่อยเขาแกล้งไปเพราะเรามองเขาว่าเป็นเหมือนธรรมชาติ วองเขาว่าเป็นเหมือนดินน้ำลมไฟเหมือนดินฟ้าอากาศเหมือนนมพัดแดดออกเราไม่เราไม่ถือสานมพัดแดดออกเพราะเราห้ามเขาไม่ได้เขาจะนมจะพัดก็พัดไปแดดจะออกก็ออกไปคนจะแกล้งเราก็แกล้งไปคนจะดีกับเราก็ดีไปมันเป็นของที่เราไม่สามารถที่จะไปสั่งเขาได้เราก็จะไม่ทุกข์กับการกระทํำของเขาแต่ถ้าเราอยากให้เขาดีกับเราอยากแกล้งเราเนะ่ยอยากโกงเรานะี่ยอะไร เราเขามาแกล้งเราหน่อยมาโกงเราหน่อยเราก็เสียใจขึ้นมาโกรธเขาขึ้นมาทุกข์ใจขึ้นมาอันนี้เราจะรู้เองเนี่ยเรานํำมาไปปฏิบัติของง่ายๆแค่สี่ข้อนี้ทนั้นเองทุกคือความไม่สบายใจเกิดจากความอยากถ้าอยากให้ความไม่สบายใจหายไปก็ให้ละความอยากยิ่งแต่ว่าเราจะรู้หรือเปล่าว่าที่เราไม่สบายใจนี้ ไอความอยากที่เราทําให้เราไม่สบายใจนี้คืออะไรต้องศึกษาต้องมีปัญญาคอยวิเคราะห์ดูพอรู้ว่าพออยากให้เขาทาอย่างนั้นทําอย่างนี้เราก็ไม่ทําอย่างตามที่เราอยากเราก็ทุกข์ใจต่อไปเราก็อย่าไปอยากให้เขาทำเขาจะทําอะไรก็ปล่อยเขาทำไปเพราะเขาเป็นอนัตตาเขาเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถไปควบคุมบังคับเขาได้เขาจะมาเขาจะไปเขาจะดีเขาจะชั่วเขาจะดีจะร้ายก็ปล่อยเขา ทำไปถ้าเราหลบได้ก็หลบไปถ้าเขาร้ายเขาเป็นคนไม่ดีเราก็อย่าเข้าใกล้เขาเหมือนเห็นงูเห็นเสือเราไม่ไปหาเขาหรอกใช่ไหมเห็นงูเห็นเสือแล้วก็ถอยดีกว่าอยู่ใกล้แล้วมันเป็นภัยกับเราอยู่กับคนที่ไม่ดีก็แบบเดียวกันเพราะฉะนั้นเราหลบได้หลีกได้การหลบการหลีกนี่ไม่ใช่เป็นการเป็นการแบบถอยหรือว่าเป็นการเป็นการยอมแพ้เป็นการใช้ปัญญาเพื่อป้องกัน ภัยที่จะมากระทบกับตัวเราเท่านั้นเองถ้าเราใช้ปัญญาแล้วเราจะมีเหตุมีผลเราจะทำตามหลักของความเป็นจริงสิ่งไหนที่เป็นพิษเป็นภัยเราก็ต้องอยู่ห่างสิ่งไหนที่มีคุณมีประโยชน์เราก็เข้าหาได้นี่คือเรื่องของธรรมะปัญญาที่ท่านมาเรียนรู้กันในวันนี้มีแบ่งเป็นสามขั้นขั้นแรกคือก ข, ขั้นปลูกฟัง คือมันฟังเทศฟังธรรมปลูกฝังปัญญาให้อยู่ในใจพอปลูกแล้วก็ต้องรักษาไม่ให้มันหายไปด้วยการนำเมามา พ, พิจารณาอยู่เรื่อยๆการพิจารณาอยู่เรื่อยๆก็เป็นธรรมเป็นปัญญาขั้นที่สองเรียก ว, ว่าจินตามายะปัญญาแล้วพอเราพิจารณาไม่หลงไม่ลืมแล้วแต่เรายังไม่สามารถหยุดความอยากได้เพราะว่าเรายังไม่มีสมาธิเราก็ต้องไปปฏิบัติ ศีล ส, สมาธิไปไปฝึกสติฝึกสมาธิ mm hmm. พอฝึกสติฝึกสมาธิทําจิตให้นิ่งให้สงบได้หยุดหยุดจิตได้ก็จะหยุดความอยากได้ mm hmm. แล้วพอเราเวลาเราไม่สบายใจเราก็ใช้ปัญญาวิเคราะห์ ด, ดูว่ามันเกิดจากความอยากพอรู้ว่าความอยากอันนี้ทําให้เราไม่สบายใจเราก็หยุดความอยากทั้งทั้งนี้เปลี่ยนใจอยากไปเที่ยวแล้วไม่ได้ไปก็ทุกข์ ก็ถ้าไม่อยากทุกข์ก็เปลี่ยนใจอยู่บ้านก็ได้วะพอเปลี่ยนใจบ้านมันก็หายทุกข์แล้เท่านั้นเองง่ายๆเราต้องรู้จักวิธีพลิกใจเราอย่าปล่อยให้มันไหลไปตามความอยากเพราะความอยากมันจะทําให้เราทุกข์เวลาที่เราไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้พอเราไม่อยากได้เราต้องเปลี่ยนทันทีพลิกกลับทันทีไม่ได้ก็ไม่เปไ็นไรอยู่อยู่ตามแบบนี้แหละอยู่แบบไม่มีก็ได้ไม่ตายถ้าเรามีสมาธิมีความสุขจาก สมาธิเราไม่ต้องการอะไรอยู่แล้วอันนี้คือเรื่องราวของความสำคัญในการมีวันพระวันฟังเทศฟังธรรมวันธรรมัสสวนณะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติให้ชาวพุทธเราปฏิบัติตามกันก็คือมีการฟังเทศฟังธรรมอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเพราะสมัยก่อ น, นการฟังธรรมมันยากต้องมีคนแสดงต้องมีเวลา ต้องไปวัดถึงจะไปฟังธรรมได้แต่สมัยนีใหม่นี้เราโชคดีเราฟังธรรมได้ทุกแห่งทุกผลทุกเวลาอย่งนั้นถ้าถ้าจะฟังมากกว่าเท่านึงครั้งก็ไม่เสียหายตรงไหนจะฟังวันละเจดครั้งก็ได้ฟังทุกชั่วโมงเลยก็ได้แทนที่จะไปฟังข่าวฟังเรื่องชาวบ้านฆ่ากันฟันกันแทงกันมาฟังเรื่องฆ่ากิเลสจะจะสนุกกว่าฆ่ากิเลสแล้วใจเราสงบใจเรามีความสุข ไปฟังเรื่องชาวบ้านค่ากันแล้วฟังแล้วก็ใจเราก็โหดโหูใจเราก็หวาดกลัวขึ้นมาอีกนั้นอย่าไปฟังเรื่องไร้สาระเรื่องที่เป็นโทษกับจิตใจของเราเอาเวลามาฟังเทศฟังธรรมกันดีกว่าเพราะนั้นการฟังธรรมไม่ไม่มีไม่ม่ไม่มีความเสียหายจะฟังมากฟังน้อยเท่าไหร่ไม่เสียหายเพียงแต่ว่าฟังแล้วให้มันเกิดความเข้าใจแล้วจําได้ทั้งนี้หรือจะเป็นประโยชน์ได้ถ้าฟังแล้วเข้าหูซ้ายออกหูขวาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร เอาะนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาให้พรยัาวาเิวหาปุราปริปุเรนติสาขลังเอวเมวอิโตชินังเปตานังอุปการปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชะตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะราโสยะธามณิโชติราโสยะาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพโรโควินาสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธานศีลิศะนิจังวุธาปจายิโน ยตาโรธรรมวาทานติอายุวันุสุขังภาละช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครสงสัยอะไรยังไม่เข้าใจอะไรอยากจะถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้เลยก็จะให้ถามได้ช่วงเดียวหลังจากที่เราเลิกแล้วก็จะไม่สะดวกที่จะถามตอบคือคุยกัน ถ้าใครอยากจะถามเองก็เดินเข้ามาเดี๋ยวจะมีไมโครโฟนให้พูดได้แล้วจะเขียนถ่ายกระดาษของข้อความเข้ามาก็ได้ถ้ามีมือถือก็ส่งเข้ามาทางเพจทาง YouTube ก็ได้แล้วจะมีทีมงานช่วยเอามาเอามาอ่านให้ฟังวันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ค่ะวันนี้ผู้ติดตามจาก Facebook พระอาจารย์สุชาติห้าร้อยแดท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์สอยท่าน y o u t u ด็อร์วีชานลหนึ่งสิเจท่านวิทยุออนไลน์6ท่านคลับฮาส์ส7ท่านผู้รับฟังหน้ากุติ46ท่านรวม942สท่านค่ะถ้ามีคำถามก็อ่านได้เลยคำถามจากคุณทิติชายา การทำตัวต่ำๆใช้ความรู้สึกตัวคนเดียวเห็นสิ่งใดไม่ถูกใจให้เฉยๆไว้ยิ้มไว้มองเห็นทุกอย่างคือบททดสอบโดยจะมองตัวเองเป็นหลักหนูคิดถูกไหมเจ้าคะในแนวของนักปฏิบัติดูอะไรก็อย่าไปดูด้วยความรักชังโกอดูแลเฉยๆไปปล่อยวางไป คำถามจากคุณแบมแบมการรู้สึกว่าเก่งไม่เก่งเ ป, เ, ปเป็นอัตราใช่หรือไม่และมีวิธีแก้ไขอย่างไรคะไม่ใช่หรอกมันเป็นการประเมินสมรรถภาพว่าทําอะไรได้ไม่ได้เช่นเวลาสอบนี่สอบได้สี่จุดกัสอบได้สองจุดมันก็เป็นการวัดความสามารถกันคนที่เรียนได้4ี่จุดก็ถือว่าเก่งกว่าคนที่เรียนได้สองจุด อันนี้ไม่เรียกถือว่าเป็นอัตราตัวตนอัตราตัวตนต้องอยู่ที่ไม่มีไม่มีเหตุผลไม่มีความเป็นจริงรองรับเช่นว่าฉันดีกับเธอฉันสวยกวับเธอฉันหล่อกับเธออย่างนี้ฉันร ว, วยกวับเธอแล้วเอาอะไรมาวาัดกันอนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอัตราตัวตนคำถามจากคุณเดอะมา t ทายเวอร์ซัลยูนิตี้ เมื่อมีพระอาหารหันต์หรือพระอริยะเจ้าองค์หนึ่งท่านจะสามารถเกื้อกูลคลายทุกข์ให้เพื่อนหรือญาติผู้เกี่ยวข้องในสายกรรมด้วยจริงหรือไม่อย่างไรครับก็อยู่ที่ว่าสอนได้ก็สอนไม่ได้คนถ้าเขาไม่สนใจที่จะศึกษาธรรมก็สอนก็ไม่ได้ก็ช่วยเขาไม่ได้เหมือนหมอนีหมอจะรักษาคนไข้หรือไม่ก็อยู่ที่คนไข้คนไข่อยากจะให้หมอรักษาหรือเปล่า หมอเก่งกนาดไหนแต่ถ้าคนไข้ไม่ไม่ให้รักษาก็รักษาไม่ได้คำถามจากคุณเอกการนั่งแบบขัดสมาธิเพชรสำคัญไหมครับมีพ่อแม่ครูอาบาอาจารย์หลายองค์แนะนำให้นั่งแบบนี้ครับก็ส่วนใหญ่ก็นั่งแบบขัดสมาธิธรรมดาขวาทับซ้ายแต่จะนั่งแบบขัดสมาธิเพชรก็ไม่มีใครห้ามอะไรแล้วแต่ไม่สำคัญ การนัสมาธิไม่ได้อยู่ที่ท่านั่งที่เป็นสําคัญการนั่งสมาธิสิ่งที่สําคัญคือสติมากกว่าถ้านั่งขัดสมาธิอย่างดีแต่สติไม่มีใจลอยทิศฟุ้งซ่านไปก็ไม่เกิดผลอะไรแต่ถ้านั่งแบบธรรมดานั่งเก้าอี้ก็ได้แต่จิตมีสตินี้จิตสงบได้ผลดีกว่าเพราะฉะนั้นอย่าไปวัดที่ท่านั่งเพียงอย่างเดียวท่านั่งก็มีส่วนแต่ไม่สําคัญเท่ากับสติ ตัวสเตนนี้เป็นตัวสำคัญที่สุดในการนั่งสมาธิคำถามจากคุณณภัสค่ะบางวัดไม่มีการทำวัดสวดมนต์ถือว่าผิดวินัยไหมเจ้าคะไม่ผิดหรอกเพราะว่ามันเป็นมันไม่ได้เป็นข้อบังคับมันเป็นข้อสั่งข้อสอนว่ามันให้ศึกษาให้ให้ปฏิบัติถ้าไม่ทำก็แสดงว่าขี้เกียจนั่นเอง แลวผลนับก็คือผู้ที่ไม่ทงนั่นแหละจะเป็นผู้ที่เสียหายคำถามจากคุณกาละยาค่ะคุณแม่เป็นคนที่โ ก, กรธเกลียดใครแล้วไม่ยอมให้อภัย ทั้งที่ปกติเป็นคนชอบทําบุญช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากมีน้ําใจแต่เวลาโกรธใครจะแค้นแบบไม่ยอมปล่อยวางไม่ยอมอภัยเลยค่ะควรจะพูดเตือนท่านด้วยธรรมะข้อใดคะอยากให้ท่านอภัยและปล่อยวางค่ะ อ, อ๋อถ้าท่านแม่ถามเราก็ไม่ต้องไปเตือนท่านหรอกเดี๋ยวท่านจะว่าเราท่านจะไม่พอใจเราจะโกรธเราอีกจะแค้นเราอีกออพ่อแม่สอนไม่ได้นะลูกลูกลูกสอนพ่อสอ น, สอนแม่ไม่ได้ แต่ถ้าพ่อแม่ขอคำปรึกษาถึงค่อยสอนได้ค่อยบอกได้พ่อแม่เขาเกิดมาก่อนแล้วเขารู้ทําไมเขาไม่รู้ว่าการไปอาฆาตพยาบาทมันไม่ดีแต่มันอย่างที่พูดเนีย่ยมีปัญญาแต่ไม่มีสมาธิมันก็หยุดไปได้ต้องฝึกสมาธิให้อกมากมีมีเสถียรให้อกมากและเวลารู้ว่าทําอะไรไม่ดีก็จะห้ามใจได้คําถามจากผู้ปฏิบัติค่ะ การไปทําบุญที่วัดกับพระอริยะกับการนั่งอยู่ที่บ้านโอนเงินไปจานวนเท่ากันได้บุญเท่ากันไหมเจ้าคะก็บุญระดับทางก็เท่ากันบริาจาคร้อยบาทที่บ้านบริาจาคร้อยบาทที่วัดก็ได้บุญเท่ากันแต่ถ้าไปที่วัดแล้ได้คุยได้ฟังธรรมก็ได้บุญอีกอีกระดับหนึ่งคือบุญที่ได้เกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรมอาจจะบรรลุเป็นธาตุริยะบุคคลเลยก็ได้ ถ้าอยู่บ้านกไไ็ไม่ได้ไม่ได้คุยไม่ได้ฟังทำก็จะบังลุไม่ได้คำถามจากผู้รับฟังหน้ากุฏิค่ะจะบาปไหมคะการดูแลบุพการีหากคุณแม่ที่อยู่โรงพยาบาลมีอาการดีขึ้นแล้วแต่พี่ๆยังไม่ให้กลับบ้านเพราะอาจจะสะดวกกว่าสำหรับพวกเขาเอง แต่คุณแม่อาจจะไม่ได้รู้สึกดีที่ยังต้องอยู่โรงพยาบาลหลายครั้งที่คุณแม่น้ําตาคลอคิดว่าเขาน่าจะทราบเป็นเรื่องที่เปราะบางพระอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรค ะ, ะถ้าเราต้องการให้คุณแม่มีความสุขเราก็ต้องทําตามใจคุณแม่สิไม่ใช่ทําตามใจเราสมัยที่เราเป็นเด็กพ่อแม่ก็ยังเลี้ยงดูเราตามใจเราเลยอยากให้เรามีความสุขแล้วพอถึงเวลาเราเลี้ยงดูท่านทําไมเราจะไม่เลี้ยงดูให้ท่านมีความสุข เราต้องถือถือความต้องการของท่านเป็นหลักท่านต้องการอะไรเราทําอะไรได้ไม่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมก็ทําให้หลักท่านไปถ้ามันทําไม่ได้มันผิดกฎหมายผิดศีลธรรมหรือผิดคําสั่งของหมอองนี้ก็ทําไม่ได้ก็ไม่ทําเช่ น, นแม่อยากกลับบ้านแต่หมอบอกว่าอยู่ต้องอยู่โรงพยาบาลต่อไปให้ดูแลใกล้ชิดหน่อยถ้าอย่างนี้เราก็ขัดคําสั่งหมอไม่ได้แต่ถ้าหมอบอกกลับบ้านได้แล้ว แต่เราที่เกลียดเลี้ยกแม่งฝากให้หมอเลี้ยงต่อได้ไหมอย่างนี้นีเป็นการปัดความรับผิดชอบปัดภาระของตัวเองคำถามจะคุณชยาพานำเงินของแม่ที่ตายแล้วไปทำบุญแทนแ ม, แ ม, แแนแม่แม่จะได้รับบุญไหมคะถ้าเงินก้อนนั้นแม่ให้เราแล้วแม่ก็ได้บุญไปแล้วแต่ถ้าแม่ไม่ได้ให้ แม่ก็จะไม่ได้บุญเราไปทําบุญให้ท่านท่านก็ไม่ได้บุญอยู่ดีเพราะท่านต้องทำเป็นเป็นเป็นเงินของท่านเองและท่านต้องทําเองท่านต้องเป็นคนสัง่งถ้าสั่งแล้วบอกไอ้ตายไปเนี่เอางินนี้ไปทําบุญนะหรือว่าให้ลูกไปเลยไม่ต้องไม่ต้องไปสั่งให้ไปทําบุญหรือทําเลยตั้งแต่ยังไม่ตายก็จะได้บุญแต่ถ้ายังไม่ได้ทำแล้วตายไปเงินก้อนนั้นก็กลายเป็นของกลายกลายเป็นของคนอื่นไปคนตายไม่สามารถย้อนกลับมาเอาเงินนี้ไปทำบุญได้นะ <c oughs> คำถามจากคุณสุกัญญาเพราะเหตุใดพระพรหมจึงมีโอกาสตกอบายภูมิได้แต่พระโสดาบันติดอบายภูมิต่างกันตรงไหนเจ้าคะกางตรงที่การรักษาศีลของพระพรหมนี้ยังรักษาด้วยสติซึ่งถ้าเผลอสติก็อาจจะไปทำบาปได้แต่การรักษาศีลของพระโสดาบันนี้ท่านรักษาด้วยปัญญา การรักษาด้วยปัญญานี้จะรักษาได้อย่างถาวรคำถามจากคุณแบมแบมการหาที่น่ากลัวเพื่อการภาวนาเช่นถ้ากลัวความสูงก็ไปที่สูงสูงกลัวผีต่างๆประกอบ ก, บกับการปฏิบัติธรรมที่บ้านสมควรทำหรือไม่เจ้าคะถ้าทำได้ก็ดีเพราะเราเป้าหมายคือเราต้องการกำจัดความกลัวเพราะความกลัวก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่ง คำถามจะคุณนาวินพระโสดาบันรักษาศี่ห้ายิ่งกว่าชีวิตเพราะอะไรครับเพราะได้เห็นผลของการกระทำบาว่ามันมันมันอันตรายกว่ามันมีโทษมากกว่าการการรักษาชีวิตนั่นเองชีวิตจะรักษาไม่รักษามันก็ต้องตายมันวันหนึ่งดีแต่ถ้าไปทําบาปเพื่อรักษาชีวิตต้องไม่ใช่บาปต่อไปในอบายแต่ถ้าไม่รักษาไม่ทําบาปเพื่อรักษาชีวิต ตายไปก็ไม่ต้องไปอาบานคำถามจากคุณเอื้องถ้าคนอื่นทุกข์แต่เราไม่ได้ทุกข์ตามแต่ทำหน้าที่เป็นเพื่อนคอยปลอบเราผิดไหมคะที่เราไม่รู้สึกทุกข์ใจจะผิดตรงไหนนะเพอทุกข์ก็เรื่องของเขาเราไม่ทุกข์ก็เรื่องของเราเราก็บอกวิธีทำให้เขาไม่ทุกข์เลยถ้าไม่เห็นทุกข์เลยเธอทำไมต้องทุกข์ด้วยลนะ่ะเราทุกข์เพราะเธออยากใช่ไม แต่ฉันไม่ได้อยากฉันก็เลยไม่ทุกข์ <c oughs> คำถามจากคุณสิงพัฒนค่ะตอนนี้หนูกับลูกชอบทะเลาะกันเพราะแกชอบเที่ยวตอนนี้หนูพยายามปล่อยวางไม่คิดไม่ยุ่งเกี่ยวกับแกวางตัวกับแกค่ะขอพระอาจารย์แนะนำค่ะก็ดีแล้ว่ะถ้าเราทุกข์เราก็อย่าไปเราก็ต้องปล่อยวางมันก็จะหายทุกข์เพราะเราห้ามกัไม่ได้แล้ว เป็นเรื่องของเขาเขาจะทำอะไรก็เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมไปทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไปไม่มีใครยับยั้งกฎแห่งกรรมได้คำถามจากคุณ Y ายเอเลค่ะกระผมพอเข้าใจในคำถามของหลวงพ่อพอสมควรแต่ทำไมถึงไม่คิดจะทำตามคำสอนให้สุดทางเอาแต่อยากจะกระโดดลงเหยอยู่ท่าเดียวครับ ก็ไม่มีกำลังถึงความอยากไม่มีฝึกสติไม่ได้ฝึกสมาธิมีปัญญารู้ผิดถูกดีชั่วแต่ยังข้ามใจไม่ได้คำถามจากคุณพิชยาสินีเวลานั่งสมาธิจะทำได้แค่ยี่สิบนาทีคือเห็นความว่างและเห็นความคิดเป็นภาพเลื่อนไปเร็วๆแบบนี้ถูกต้องไหมคะและควรทำอย่างไรให้ก้าวหน้าถึงขั้นอัปปนาสมาธิคะไม่ถูกหรอควรจะให้มันว่างไม่ให้เห็นอะไร ถ้ายังเห็นอะไรอยู่ให้กลับมาที่พุโทโธพุธโทโธต่อดูดูลมหายใจต่ออย่านั่งเฉยๆถ้านั่งเฉยๆแล้วเดี๋ยวมันก็อยากจะลุกแล้วแต่ถ้านั่งดูลมต่อไปพุโทโธต่อไปเดี๋ยวมันก็สงบไปเรื่อยๆมันก็นั่งต่อไปได้ยาวคำถามจากคุณพาวินีลูกชายนั่งสมาธิแล้วลมหายเกิดจากอะไรคะเกิดจากอ น, นิจจงเนี่ยมันมีมันของไม่เที่ยงมีได้ก็หายได้ ตามความเป็นจริไปคามากคุณทูแม็กผมนั่งสมาธิได้ไม่นานเลยใช้วิธีฟังธรรมบ่อยๆและดูภาพอสุภะบ่อยๆอย่างนี้จะช่วยแทนการนั่งสมาธิได้ไหมครับและเวลาดูรูปอสุภะใหม่ๆก็รู้สึกปลงใจแต่พอดูบ่อยๆจะรู้สึกเฉยๆไม่ค่อยสลดคือจะนั่งสมาธิให้ได้นานแน่นิ่งต้องหมั่นฝึกสติอยู่เรื่อยๆ ถ้ามีสติมากมากก็จะนั่งได้นานสงบได้นานแต่ถ้ามีสติน้อยก็จะนั่งไม่ได้นานอยู่ที่สติเป็นหลักส่วนการพิจารณาอะไรถ้าเราพิจารณาไปจนกระทั่งมันรู้สึกเฉยเฉยเราก็หยุดพิจารณาได้มีคำถามหมรือสอ่งไมล์มาขัดขานญาติครับผมเจอ ความรู้สึกที่ปแปลกแล้วก็จะเรียนถามพระอาจารย์ครับคือเดินจงกรมครับแล้วแล้วก็รู้ตามความเป็นจริงสักว์แต่ว่ารู้ไปแล้วสติเราก็รู้ว่าร่างกายเคลื่อนเสียงที่กระทบหรือหนังตากระพริบก็เห็นทีนี้ใจเราก็รู้สึกว่าร่างกายที่เคลื่อนไปแล้วเสียงที่กระทบมันตกใจเรับมนผมตกจับที่สุด ผมก็ตามรู้และดูมันต่อไปแล้วมันก็หายไปผมก็เลยขอเรียนถามพระอาจารย์ว่าในสิ่งที่เจอแล้วมันก็หายไปผมควรทำยังไงและมันคืออะไรอมันเกิดจากการงาเผลอสติตเวลาจังหวะสตินี้ต้องอยู่กับกา ร, กการเดินของร่างกายเพียงอย่างเดียวอย่าไปดูอย่างอื่นถ้าดูอย่างอื่นก็แสดงว่าเราเผลอสติแล้วเน้นอะไรก็จะเกิดขึ้นมาได้ มันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปมันเป็นสภาวะธรรมเป็นไม่เป็นของไม่เที่ยงเราก็ไม่ต้องให้ความสําคัญกับมันอะไรเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปผ่านไปนีเป็นผลจากการที่ไม่มีสติครอบควบคุมถ้ามีสติจะไม่มีอะไรปรากฏขึ้นมาถ้ามีสติดูดูเท้าเราซ้ายขวาซ้ายขวาไปหรือพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปตลอดเวลามันก็จะไม่มีอะไรปรากฏขึ้นมา พอเราไม่มีพุโทโธไม่ดูเท้าเดี๋ยวมันก็โผลขึ้นมาได้คำถามต่อไปนามัส ก, การนะพระอาจารย์หลายคำถามนิดนึงนะคะคำถามแรกอะคะ่ะเรื่องอายุพระพุทธศาสนาค่ะคือตามความเข้าใจของหนูที่ได้อ่านมาได้ฟังมาคืออายุพระพุทธศาสนาอยู่ที่ห้าพันปี แต่หนูก็ไปได้ยินมาอีกแหล่งหนึ่งก็บอกว่าไม่ใช่เป็นตัวเลขห้าพันปีเป๊ ะ, ปะแต่เป็นการประมาณการก็พอแล้วกับประมาณการขอเป๊ ะ, ปะมันก็เหมือนกันใครจะไปรู้ล่นาคนทีนี้มาจะสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าปีก็ได้หรือห้าพันกับหนึ่งปีก็ได้มันไม่สำคัญละ่ะคือตัวแรกมันเป็นการพูดแบบประมาณประมาณประมทีนี้พระอาจารย์ต้องต้องการจะสอนให้ให้ให้ ทุกคนฟังว่าเราต้องเรื่องไปนิพพานสมมุติว่าถ้าเราปฏิบัติแล้วเกิดเราไม่เราได้ไม่ถึงค่านิพพานสมมุติในชาตินี้นะคะแล้วเราตายไปเหมือนอย่างที่ออ่ที่พระพุทธ เ, เจ้าท่านไปโปรดแล้วไปอยู่บนสวรรค์แล้วกว่าจะกลับมาเกิดอีกทีคือไม่มีพระพุทธศาสนาแล้วเท่ากับว่าเราก็ต้องรอไปอีกนานแสนานานกว่าที่เราจะได้เจอธรรมะพุทธเจ้าอีกใช่ไหมคะก็ขึ้นอยู่ ว, ว่าเราปฏิบัติไปถึงระดับไหน ค่ะถ้าเราไปถึงระดับพระโสดาบันแนละ้วเราก็มีทำอยู่ในใจเราตลอดเวลาไม่เกิดมาคราหน้าไม่เจอพระพุทธศาสนาะก็ไม่เป็นปัญหาไเลยเราปฏิบัติเองได้สอนตัวเราเองได้ค่ะพอเรารู้อริยาาสัจสี่แล้วค่ะแต่ถ้ายังไม่ถึงขั้นพระอโสดาบันเราก็จะกลับมาเกิดแล้วก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่คือเราจะไม่รู้อริยาาสัจสี่เราก็จะลืมไป ทีนี้สมมติว่าถ้าหนูตั้งใจว่าหนูอยากจะไปนิพพานหรือทุกๆคนที่อยากจะไปนิพพานจําเป็นจะต้องมีครูบาอาจารย์คอยเป็นไกด์นาทางให้ใช่ไหมคะพระอาจารย์อ่ ม, มีมีมันดีกาไม่มีไม่ใช่เหรอถ้าถ้าไม่มีไปถึงได้ไหมคะไม่ได้เราต้องมีครูบาอาจารย์ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องมีหนังสือถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ก็ต้องมีหนังสือที่เราอ่านแล้วเข้าใจเช่นหนังสือพระสูตรในพระไตรปิฎก ถ้าเราสามารถอ่านแล้วเข้าใจก็ถือว่าเป็นอา จ, จารย์เราได้ค่ะหนูฝากตัวด้วยนะคะอาจารย์ไม่รับฝากหรอกฝากมาแสดงว่าต้องคอยดูแลแล้วก็พอดีหนูมีมีโอกาสได้ไปตรงที่อาคารพุทธคยาค่ะแล้วก็มีมีภาพพูดถึงเอพระพุทธเจ้าค่ะสวยวิมุตติสุขหลังจากท่านตัดสรูปอยากให้พระอาจารย์ให้ความรู้เรื่องวิมุตติสุขหน่อยค่ะ วิมุติสุขก็คือเวลาเรามีความสุขเวลาที่เราไม่มีความทุกข์วิมุติแปลว่าหลุดพ้นค่ะสุขที่หลุดพ้นจากความทุกข์นั่นคืวิมุติสุขหมายถึงท่านนั่งสมาธิเฉยๆหรือเปล่าคะใช่หรอท่านอยู่ในอเดยาบวไหนก็วิมุติสุขตลอดเวลาจะกินจะนอนจะเดินจะนั่งจะทําอะไรวิมุติสุขตลอดเวลาก็คือมีความสุขที่นี้พักจินตนาการก็าบอท่านนั่งอยู่ภายใต้ต้นไม้อ่าใช่ๆตามความเข้าใจหน่เป็นไม่ได้ที่ไหนเราคนเรา มันก็ต้องกินต้องเดินต้องทําอะไรตามปกติก็คือฉันใช่อยู่ใบทปกติกต่จิตจงท่ามันไม่บุติสุขตลอดค่ ะ, ะทีนี้อย่งางคุไม่หายจาก<ค>โรคไขยไข้เจ็บ่ะคุณเป็นมะเร็งเนี่ยโอ้ปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้ความหมอรักษาหายแล้วนี่คุณจะเดินจะทําอะไรมันก็ไม่มีความปวดความเจ็บนันก็แบบนี้นอามีความสุขทีนี้ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สําเร็จอรารหัน มีมีมิมุติสุขเหมือนกับอพระพุทธเจ้าตัดสะดุ้งมท่ากันเท่ากันเหมือนกันใช่ไหมคะค่ะหมดคําถามค่ะขอบคุณค่ะคําถามจากผู้รับฟังหน้ากุฏิค่ะเพิ่งเริ่มสวดมนต์ค่ะแต่ต้องสวดแบบเร็วๆถ้าสวดช้ามันมักจะทําให้จิตทุงซาตลอดเลยอยากทราบว่าถ้าเราสวดมนต์แบบเร็วๆจะทําให้เรองไม่สํารวมหรือเปล่าคะไม่หรอกสวดเร็วก็ได้สวดช้าก็ได้ แล้วแต่ความจําเป็นว่าต้องสวดแบบไหนจิตไม่พงสร้างก็สวดแบบช้าๆสบายๆายก็ได้ถ้าจิตคิดมากอาจจะต้องสวดให้มันเร็วขึ้นอย่งนั้นก็อยู่ที่สภาวะเหมือนกับขับรถบนท้นนองถนนเนี่ยถ้ารถติดมากๆก็ต้องขับช้าๆพอรถว่างมันก็ขับรถเลยได้ได้เร็วขึ้นดังนั้นการสวดบนชา้าสวดบนเร็วนี้ไม่ไม่เป็นประเด็นไม่ไม่ไม่ผิดไม่ถูกแล้วแต่ความเหมาะสม คำถามจากคุณชิดชัยค่ะบางครั้งเราช่วยเหลือผู้อื่นจนตัวเองลำบากถ้าเห็นแล้วแต่ไม่ช่วยจะเป็นบาปไหมครับไม่บาปหรอกเพียงแต่จะไม่ได้บุญเท่านั้นเองคำถามจากคุณบรรณวัตรถ้านั่งแล้วจิตเราเห็นพระพุทธรูปองค์สีใสสีทองหรือเราคิดไปเองครับแต่ก็ยังดูลมหายใจเข้าออกอีกสักพักก็มีภาพแบบนั้นอีกเป็นเพราะอะไรครับเพราะเราไม่มีสติอยู่กับลมีง ถ้าเราอยู่กับลมตลอดเวลาภาพอย่างน่งก็จะปรากฏขึ้นมาไม่ได้คำถามจากคุณกำทรการทาบุญนั้นบุญจะได้เฉพาะคนทาแล้วที่เราทำบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลกรวดน้ำให้ผู้ล่วงลับไปแล้วเขาจะได้รับบุญไหมครับได้ส่วนหนึ่งคือเศษบุญเวลาเราอุทิศบุญนี่เราเหมือนกับเราอุทิศเศษบุญเหมกับเรามีเงินทอนหรือว่ามันเศษเงินเราก็ให้ขอทานไปอย่างนี้ ทานเงินที่เป็นแบงแต่เป็นแางขันแ า, างน้อยเราเก็บไว้แต่ถ้ามีเหรียญห้าหรือสิบก <c oughs> ็หยิบให้ขอทานไปนะคือบุญอุทิศเป็นแบบนั้นเป็นเศษเป็นเศษบุญที่เราแบ่งไปได้แต่เราแบ่งบุญก้อนใหญ่ไปไม่ได้บุญก้อนใหญ่นี้ของใครของมันไปต้องทำเอง <c oughs> งั้นอย่าประมาทพระเจ้าบอกตอนนี้เราทําได้รีบทํา <c oughs> เพราะเวลาเราตายเราจะได้แค่เศษบุญเท่านั้น คงถามกับคุณจากคุณอยู่กับปัจจุบันมีคนรู้จักชอบทําบุญมากๆไปวัดเดินจงกรมนั่งสมาธิทุกวันแต่มีอารมณ์ร้ายมากชอบด่าชอบติคนอื่นทําให้คนที่โดนเขาด่าเป็นทุกข์ใจมากๆค่ะที่เป็นแบบนี้เขาจะเป็นผู้หลุดพ้นเหมือนที่เขาบอกคนอื่นไหมคะยังเหรอเพราะว่าเขาไม่เอาสิ่งที่เขาปฏิบัติมาใช้กับตัวเ้าเองเขาเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อควบคุมอารมณ์ แต่พอเวลาไม่ได้เดินยกมนั่งสมาธิก็ปล่อยอารมณ์ให้เพ่นพ่านขึ้นมาแสดงว่าเขายังไม่รู้จักเหตุผลของการปฏิบัติที่แท้จริงว่าการปฏิบัตินี้ก็เพื่อมาควบคุมใจเขาเองควบคุมอารมณ์ของเขาคำถามจกคุณทัศนาทำบุญกับมูลนิธิอุทิศบุญให้พ่อแม่ได้ไหมคะได้ทำบุญทุกชนิดที่เป็นทานนี้อุทิศให้กับผู้งรับไปได้ทั้งหมด คำถามจากคุณประยงโยมมาอยู่ที่ต่างประเทศฝากเพื่อนใส่บาตรฝากญาติธรรมถวายสังฆทานทำบุญทางนี้ได้ได้ตั้งจิตอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ร่วงรับแต่ไม่ได้กรวดน้ำเขาจะได้รับบุญนั้นไหมเจ้าคะได้ถ้าเป็นเงินของเราถ้าฝากเขาแต่ฝาไม่ได้นะพี่ช่วยใส่บาตรให้หน่อยแต่ไม่โอนเงินให้เขานี่เราอุทิศบุญไม่ได้เพราะมันไม่เกิด บุญเรื่องเกิดจากการเสียสละแบ่งปันเข้าของเงินทองของเราให้แก่ผู้คําถามจากคุณประโยงเป็นพุทธสามารถไปโบสถ์ได้ไหมเจ้าคะไปไหนได้หมดพุไปเที่ยวเมืองนอกเมือง น, นาไปไปเที่ยวตามสุราตามอะไรไปได้หมดงแต่ว่าอย่าไปเชื่อเขาเท่านั้นอย่าไปเชื่อคําสั่งคําสอนของเขาให้เชื่อคําสั่งคําสอนของพระพุพะทธก็ทํารพระสงฆ์เท่านั้นยกเว้นว่าถ้าคําสอนของเขาไม่ขัดกับคําสอนของพระพุทธเจ้าก็าเชื่อได้ ถ้าเขาสอนให้ทําบุญช่วยบริจาคนี้เราก็ทําได้บริจาคให้กับโบสถ์ให้กับสหลลาก็ได้ได้บุญเหมือนกันคําถามจะคุณทัศนาเวลานั่งสมาธิแล้วพุทโธจะต้องไม่เห็นภาพอะไรเลยใช่ไหมคะจะว่าไม่เห็นก็ไม่บางทีมันก็อาจจะเห็นได้เวลาเราเผลอขึ้นมาให้กลับมาที่พุทโธเวลาเราเห็นอะไรอย่าไปสนใจคําถามจะคุณสิริพัฒน์ นั่งสมาธิไปสักพักแล้วรู้สึกหมุดหนิดควรจัดการอย่างไรดีคะก็สติเราไม่พอต้องกลับมาพุโทโธพุโทโธต่อแล้วสวดมนต์ต่ออย่านั่งเฉยๆถ้านั่งเฉยๆมันก็ไม่ได้นั่งสมาธิเป็นกิริยาของการนั่งสมาธิแต่ไม่ใช่เป็นสาระของการนั่งสมาธิสาระของการนั่งสมาธิคือการมีสติควบคุมใจตลอดเวลาคำถามสกุลพิชยาสินี เวลาจิตรวมถึงขั้นเห็นความว่างไม่มีความคิดแล้วมีผู้รู้มองความว่างแต่ในความว่างนั้นก็ยังมีสิ่งสิ่งดึงดูดในเรายังมีสิ่งดึงดูดให้เรามองตามอยู่ในนั้นแบบนี้เป็นสมาธิขั้นไหนคะให้รู้เฉยๆไปขั้นไหนก็ไม่ต้องสนใจให้ใจเราเนี่งให้ใจเราสงบมีความสุขพอๆคาถามจากคุณพีโกอขอความเมตตาช่วยขยายความ วิญญาณขันไม่เที่ยงวิญญาณขันคือเขาเรียกว่าอาการของใจที่มีหน้าที่รับรู้ไปรับรู้เสียงกลิ่นรสมาจากตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่าวิญญาณนักขันวิญญาณฐานนี่ก็ทํางานแบบหยุดหยุดรางวันก็มีเขาก็มีวันหยุดวันพักเหมือนกันแล้วไม่เที่ยงหมายถึงว่าเขาไม่ได้หายไปเลยเป็นแต่ว่าเขาหายไปชั่วครัง้งชั่วคราว เช่นเวลานอนหลับนี่บางทีเขาก็ไม่ไปรับยุบเสียงกลิ่นต้นมาเพราะเวลานอนหลับหลับตาวิญญาณทางตาก็พักไปทางหูก็บางทีอาจจะได้ยินอาจจะไม่ได้ยินแล้วก็อยู่แบบว่ามีอะไรมาสัมผัสหรือไม่อันนี้คือคําว่าไม่เที่ยงของวิญญาณขันมันไม่ได้ไม่เที่ยงแบบเหมือนไม่เหมือนร่างกายแต่ ร, ร่างกายหายหายไปเลยไม่กลับมาเลยแต่วิญญาณขานหายไปชั่วคราวเดี๋ยวว่ากลับทำงานต่อพักผ่อนได้ การพักผ่อนของวินนันขายเ็เรียกว่าไม่เที่ยงคือไม่ทำงานตลอด24ชัว่วโมงคำถามจากคุณพรประพัฒใจอยากไปบวชที่วัดแต่เรายังจำเป็นต้องทานอาหารเย็นเพราะปัญหาสุขภาพแบบนี้เราจะผิดศีลข้อวิกาและโภชนาใหม่คะถ้าเรากินข้าวเย็นมันก็แล้วก็รักษาข้อนี้ไม่ได้เท่านั้นเองคำถามจากคุณทูแม็ก เวลาเราบริกรรมพุโทโธเราต้องนึกถึงหน้าพระพุทธเจ้าไปด้วยไหมครับหรือสักแต่ว่านึกพุโทโธนึกพุโทโธอย่างเดียวจะง่ายกว่าไม่ต้องไปนึกถึงภาพแต่จะนึกถึงภาพได้ก็ไม่มีใครห้ามนอะแต่เร า, า ม, มาแล้าเนี่ยโอเคก็พอสมควรแก่เวลาถ้าไม่มีใครอยากจะถามอะไรอีกก็จะขอยุติการสนทนาธรรมไว้เพียงเท่านี้ ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิพิจรารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธ อ, อ